เพื่อเด็กชายพีเควันดีนกกนครับวัฒนการคพวันนี้อยู่ญี่ปุ่นครับพ่อเชิญแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันเกิดอครับพ่อเจิญต้องนวันให้ราให้เราฟังไวนะอนะอา์สมุทโตต่ออุฒิุจิุธอภิวาทิกา สวัสดีค่ะตัวพะวัตตธรมโมธรมบงนามาสามีกับปฏิปนโมพะควัตต์ตวสวัสดิ์สังโฆสังขันามาม่กับนมุตสาพระควัตตัวละหัตตสามาสามุตสานามุตสาพระควัตตัวละหัตตสามาสามุตสานามุตสาพระควัตตัวละหัตตสามาสามุตสาอิติปิโสิเเสอิิ์ุนม อีเม่นาพุทธทั้งสออตัพิอิติวิสวิเศษเสียอีอิเศเสพุทธนามีอีเมนาพุทธั้งสออีอิศตัณพุทธพิอิติวิโสวิเศเสอิเเสพุทธนามอเมนุทัสอตัพิมพุทธสตวติมาวนมพุทธสตวอติมาวนมพุทธสตวติมาว ค a เทสิกคาเทสิกกินกันนะคาเทสิกบิลล์ฉันน้ำฉันน้ำฉันคาเทสิกคาเทสิกกินกันนะคาเทสิกบิลล์ฉันน้ำฉัะนน่มแล้วเียง่นวาเาจะมีบนิา เป็นคอมพวกนีเลยเสร็จไปแล้วนเลยมากราบพระอาจารย์ก่อนเร็วๆอ่ะมาลังเองลุกแล้วขอพรพระอาจารย์ันเกิดีลูกสักกันพรอาจารย์เดี๋ยวก่อนขอบรพระอาจารย์วันเกิดก่อนขอพรพระเจดีวันเกิดนะคะกนสักกนขอพราจรเดี๋ยวก่อนพระอาจารย์กาลังให้ยังูกอ้หนูเป็นเด็กดีมีความสุขมากนะ สาธุสาธุนัไม่อาสาธุอ่าไปได้นะไปนะคะ่ะสวดเก่งนี้เขาพอดีเขาชอบถามหนูว่าหนูสวดบทอะไรบทอะไรหนูสวดเป็นคาถาอะไรเป็นอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเวลาขับรถเวลาะจะนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามหนูก็สอนไปทีละบทไปแล้วทีละบทเขาก็จําของเขาค่ะอืมกันเดย์ค่ะ ค่ะก็ให้ใ ห, ให้ให้พอมีสมาธินิ่งได้บ้างคะ่ะพระอาจารย์อ่าเน่พยายามฝึกไปได้เลย เ, ลยเอาบาให้เรสวดไปได้เล ย, เลยค่ะพระอาจารย์บทไหนก็ได้ใช่ไหมคะอะ่บทไหนก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ครบหกขวบค่ะพระอาจารย์อืมค่ะ <laughs> <laughs> ก็ชีวิตยังยาวนานอยู่ยังไปค่ะ<ป>ค่ะมาญี่ปุ่น ไม่กี่วันแผ่นดินไหวใหญ่ๆลยค่ะพอาจารย์แต่ว่าไม่โดนฮิโตเกียวค่ะไม่ดนเลยคือไปขึ้นไปขึ้ น, น, ถานาแถวไหนแถวอาอโอโมริค่ะขึ้นไปทางเหนืออะค่ะพระอาจารย์ทางเหนืออาโอโมริเหนโตเกียวขึ้นไปเนี่ยเหนือโตเกียวขึ้นไปติดๆกับทางซัปโปโรอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็สะเทือนถึงโตเกียวอตอนนั้นหนูอยู่โรงแรมค่ะไปประชุมมันมันสั่นตอนแรกนึกว่าสั่นรถไฟ แต่มันสั่นแบบว่ามันโยกค่ะพระอาจารย์แล้วนานผิดปกติตอนที่แผ่นดินไหวเมื่อปีสิบเอ็ดค่ะสองพันสิบเอ็ดหนูอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันมันก็ลักษณะคล้ายๆนันค่ะคือมันแบบมันมันมันไหวนานกว่ากว่าปกติอะค่ะพระอาจารย์เกอมูอนนี้ยู่ใกลกับอันที่เกิดเมื่อสิบสิบเอดปีก่อนแล้วเป่าขึ้นไปข้างบนอีกค่ะพระอาจารย์เนื้อขึ้นไปอย่เนี้ยใช่ค่ะไปทางฝั่งที่ติดกับทางฮอกไกโดอะค่ะเออ ค่ะทางฝั่งนนโน่หนักมากเลยแล้วเขาก็มีประกาศเตือนว่ามันอาจจะไปกระตุ้นไอตัวแผ่นดินไหวครั้งครั้งใหญ่ของเมกะเ อ, อิร์สค่ะพระจนานทร์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประกาศอ่าตอนที่ตอนที่แผ่นดินไหวที่ที่เมื่อวันก่อนมีประกาศซึนามิค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าครั้ง น, นี้ยมีประกาศที่ไม่เคยมีประกาศมาก่อนจากกโมตุของของญี่ปุ่นนะคะว่ามันอาจจะเกิด แผ่นดินแผ่นดินไหวที่เป็นเมกกะเอิร์สได้อืมทางนี้ปกติค่ะเราเตรียมตัวเตรียมใจใช่ค่ะพ่าจะเอากระเป๋าเอาอะไรไว้ใส่ข้างตัวไว้ตลอดเมื่อวันที่แผ่นดินไหวหนูก็ว่าจะอาบน้ำแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้ามานอนคหม่เตรียมบอกว่าเดี๋ยวมันมีอัฟเตอร์ช็อขึ้นมาจะได้บตรียตัวได้ทันค่ะกรเป๋อะไวางข้างตัว ก็ดีจะได้มีอะไรมาเตือนสติเราว่าความตายอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่จะได้ไม่ประมาทค่ะพระอาจารย์ก็พยายามมีมสติค่ะตัใจแล้วว่าชีวิตเราเป็นของชั่วคราวมาแล้วเดี๋ยวก็ไปก่อนจะไปก็ควรได้ตรักตรวสิ่งที่มีคุณค่าไปกับเราให้ได้ อ่ายังยังอยากจะเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาอยากรู้อยากปฏิบัติให้มากกว่านี้ก่อนอย่าเพิ่งถึงเวลานะคะถ้าต่อรองได้ก็ดีใช่ไหมคะ่องรีบตัดตวงื้่ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ค่ะพระอาจารย์พอเอาแผ่นดินไหว ม, มันหยุดนอนก่อนนอนสวดมนต์อยู่ประมสวดตื่นมาก็นั่งสวอนที่ สักนิดหนึ่งให้ให้บอกว่ามีสติค่ะเพราะว่าครั้งนี้ปกติถ้ามีแผ่นดินไห ว, วใหญ่อย่างนี้ค่ะเขาจะประกาศ after shock แต่ครั้งนี้เขาประกาศว่ามันน่าจะเป็น before หมายถึงเป็นแผ่นดินไหวเตือนค่ะพระอาจารย์ตัวใหญ่กว่านี้ยะมาใช่ค่ะ<ม>เป็นครั้งครั้งแรกที่ประกาศแบบนี้ค่ะตอน น, อ น, นี้ตอนนี้ทำาไงเตรียมตัว ตอนนี้ค่ะเขาก็มีประกาศเตือนออกมาค่ะในแถบในแถบอ่าฝั่งโตกเกียวฝั่งตะวันออกเนี้ค่ะพระอาจารย์ให้ระวังว่ามันจะมีเมกะเอิร์ดเกิดขึ้นได้นี่ค่ะค่์พระอาจารย์เกเดี๋ยวหนูกลับวันที่สิบแปดค่ะอคขอให้ปลอดภัยเกิดขึ้นก็ขอให้เขวค่าปลอดภัยนะสาทุค่ะพระอาจารย์โอเคอไปที่เด็กชายเลนต่อเด็กชายเล่น เรนมายังไงเรนอะเรนมาแล้วเนแล้วจะเพิ่งวางกอนมั้ยน้องเรมากับออแล้วกับกับพระอาจารย์กับจอมทอก่อนอะแล้วเดนน้องเรนคอ่าโแล้วลูกสังข์้อาจารย์เลยค่ะคือแล้วพ่อหัวเ็อะนั่งอะแอะเรนอนสองกันบ้านเลยค่ะเรนด้านนี้เลยแล้วก็เร็ว เร็ไม่ม่อาเร็วค่ะปาจันรอเอะส่งกันไปอ่านๆเลยอ่านเลยัวตสั่อัวอาหารตันค่ะนางมตาแบบอตัวอาหารตัวแบบนี้ะนามวตาแบบกตัวอาหารตสัคมรณ์จ้าป้าจันจะขยอนรื่นั่งข้างบนนะคะยอมปวดเข้าอ่าตามสบเนี่ค่ะแล้วาำไมถเจอาครอพูดทางดตังมาตัวเด็นีรู้เป็ดหบัง สุปจิวาแตวงพ่อโตพวก็โตเจ้าเจ้าคนเาคสุปสุเปจิปานิโนวก็โตเจ้าต้องหูชอบกันมานิตอเคอครับพระพุทจเป็นพระอหันอาภินเนเททุกิเจอแต่รู้ด้ตเองอ้อิรเจว่าอมมาสุโภชานจะสำให้ถกตัโกดีต้อเพื่อทามัชาติสาธารณะสร้างควาตอ ตัวตัวตัวคตัวก็ตามทีาทมาทันทีทันทกเอริารกาอาาีกเอิพอสิก็โอวรแล้นี่กป่าปาะตั้งไว้ที่ตากลน้งีออตอเราม้ีความีความแก่เป็นธรรมดาจะรูปเปิดคอมแกย์ไปไม่ได uh, ้เรามีความตายเป็นธรรมแต่ลูกคนคมไก่ตาย ไปม่ด้ต้องมีความจิบมไข่เป็นน้ำปลาตัองความใ้ไ่เป็นไม่ได้เตตราจะต้องพัดผ่าของของนะของเตอมแจเท่าไรครับเราจะเราต้อีมีจะเป็นของของคุวเราต้องแบบคุของคำนั้นเรามีจาเป็นเราจาเป็นเราจาเป็นจาเลยเราจำเป็นผ้าพันเราจำเป็นที่เครื่องเราใส่เราจาเป็นพลา ตามออนไดไว้ดีหร <have> ือชัวเราจะต้องรับผลของกัรทำอ๋อโอ้โบุผูส่นอบุคุณผู้ส่วนอะไรที่เข้าพัะเจ้าได้กันเราทาและเข้าพระเจ้าขอบคุณทิส่กนส่วนนั้นแต่ทุกท่านส่วนว่าแต่ทุกคนโลกไดรับส่วนขอนึก่าทั้งไห่เป็นเร่อูทุกคนแกิดช เด็กแต่ละคนท้องถิง่นทะมีตุ้งอยู่ที่ในใจเรเองเด็กอยากตะแก้แบ่างๆปัุนคนยัคงสุขสบายไม่ไดยังแข็งมากตรวจวทุกคื น, รในใรหรือเปล่าชรวจทุกคืนหรือเปล่ า, าวตวจทุกคืนจ้ะค่ะปวดใจปวดใช่ ก็ผกเส้ใหญ่ไปเส้นใหญ่สหสนอนอหเส้นน้อยอาหารหม่แบบงดีแล้เลือด้วเลือดแบบนี้ค่ะไายการนีคดได้กันดีกว่นจ้ะค่ะอ่าด้มากเก่งมากอือหััดท่องไปเรื่อยๆนะนี่ธรรมะเป็นคาสอ น, น, นต่อเสริมว่าว ล, ล, ล, ล, ล, ล่อรใช <น S 1> ่มีเหือด้วยแต่ไม่เหนื่อย แล้วน้องเลนรู้ไหมว่าตัดไปใต้ภูมิเป็นแบบสีหรือเปล่าคะยังไม่รู้เ้าค่ะแต่ท่องไปก่อนเจ้าคะา่ะท่องไปก่อนไม่เป็นไรดีค่ะค่ะอโอเคน้ส่งพระอาจารย์อาการขอให้พระอาจารย์ท่านขานแขงแรงนะเจ้าค่ะย่าอาเจีทุกคนมีความสุขมากๆนะอาจารย์เวลาเจ็บเข่าแล้วทาสมาธิมันไม่ได้เลยเจ้าค่ะ ก็ต้องกเปลี่ยนในยาบอดโยนั่งก็ที่มันไม่สงบเหมือนกับนั่งขัดสมาดอยู่กับพื้นนะเจ้าค่ะก็ท่านนั่งไม่ได้ก็ทํำไงล่อก็ต้องรักษาเข่าไปก่อนแล้วรอให้หายทีแล้วนะตอนแรกก็จะฝืนก็เอ๊ะเดี๋ยวฝืนกว่ายฝืนมันก็จะไม่หายสิมันจะอะไรนะเจ้าค่ะถ้าไปฝืนมันมันก็จะไม่หายใช่เจ้าค่ะ โยมก็เลยกะว่าเดี๋ยวรักษาเข่าให้ดีก่อนโยมกะว่าเดี๋ยวรอวันอาทิตย์ให้ไปเอ็กซเรย์ปอดก่อนเจ้าค่ะแล้วก็เสร็จแล้วไป่อยไปหาหมอเข่าต่อเจ้าค่ะจะ ไ, ได้ไม่มทานยาซ้ากันหลายอย่างค่ะอดีอมาหมดเลยพระอาจารย <c oughs> ์อกอกเจ็บมากเข่าเลยค่ะตอนนี้เข่าแบบงอไม่ได้เลยพระอาจารย์พอ ง, งอปุ๊ บ, บ, บ<อ>มันก็จะเจ็บโยมก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะแต่โยมยังไม่ได้ทานยานะเจ้าค่ะโอเคดีค่ะ อ่ากลับพาชา์กลับเร็วเลนกลับลกลับลาหลวงปู่ก่อนมาเร็วลูกมาเร็วนังเลนอนุกกลับลาหลวงปู่มาแล้วมาแล้วลูกกลับกลับเป็นวิอ่ะเร like, ็วปึ๊บอ anyway. ่ะปึ๊บกลับปู่แล้วคะเด็กเร็วลูกกลับโม่ทังโมตงโสาธุสาธุพี่บอกรายงานพาชานได้ว่ารายงานกักพาชานว่าสิบห้าถึงสามสิบพียมจะไป ปฏิบัติธรรที่เชียงใหม่ที่ันนางเลนางสถิติประานสี่อะค่ะก็เลยต้อง cancel หมดเลยเจ้าค่ะเพราะหมอบอกว่าไม่ให้ไปหมอให้ยังอยู่อยู่ที่กรุงเทพก่อก็เลยงดก่อนเลยเจ้าค่ะก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติโอเค่ค่ะค่ะค่ะเาแล้วค่ะพระจค่ะค่ะระเจารักษาท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะ อ๋อบุพรขอให้หนวงปู่สุขภาพแข็งแรงครับให้เรนแข็งแรงด้วยครับโอเคขอบคุณจะค่ะทำทุกคืนนะสวนบนทุกคืนนะค่ะคุณแม่เขสอนเ่าคอยสอนเจ้าค่ะอช่ดีเขาเก่งค่ะความจำดีมากเก่งมากเด็กๆเกจจได้ดีมากโอเคบายบายบายบายสวัสดีสาวลกแล้วสวัสดีค่ะ เาแล้วนะไปก่อนแล้วนะไปที่จำแนกกับแจที่ต่อกราบพิธีการพระอาจารย์ครับอบส่งกินมางครับเอาเลยส่งมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่พ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา จะร่อมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจัดของรับของกำลังใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นชื่อไป เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้นนทุกวันทุกวันเถอดพยายามทำแต่กรรมดีนะกรรมไม่ดีอย่าทำครับอืมแล้วก็พิจารณาร่างกายทุกวันวนะว่ามีอะไรบ้างค<ม>รับมีผมมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยในกระดูกม้าหัวใจตับ ทังผื่งไตปอดเซส์ใหญ่ไซ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายาในสมองซีซัคน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเขยข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำเขยข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลว น้ำตาน้ำมันค้นน้ำเนี่ยตามเลือดตามเหลืองน้ำเำสร็์น้ำดียังในสมองศีสษะอาหารเกา่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตพังผืดตับปอวใจม้ามยังในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็ขนผม ทำมาจากอะไรอาการา32เดินน้ําลงไฟครับอมีตัวตนไหมไม่มีครับอืทฉะนั้นอย่าไปลงคิดว่ามันตัวเราของเราเนะี่ยอืมเป็นของดินน้ำลมไฟครับวันหนึ่ง ด, ดินน้ําลมไฟก็ต้องขอคืนไปครับอืถ้าเป็นทานาดูแล้วก็ไปสวรรค์นหรือไป ที่ไหนก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทํำกันนะครับอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับเดอร์พรุ่งนี้จะไปทำบุญตักบาปครับแล้วก็เดินตามพระบิณฑบาตครับนีพรุ่งนี้เใช่ครับตอนเช้าที่จะไปบิณฑบาตตอนเชา้าครับจะไปช่วยพาถือพาะบิณฑบาตครับโอเคเราดูครับพรงนี้ปิดเทอมเหรอใช่ครับโอเค สาธุคร uh, uh, uh, ับขอบคุณอาจารย์คร <do right anywhere> uh, <do miejsce> ับน้ำเทิมตาน้ำเทียมต้องไอน้ำเทิม <G uard ant> าการบรัตรเทศกาลค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่เราจะเข้ามาเราปรเกิดว่ามันหลุดไปค่ะพระาอาจารย์ก็เลยไม่ได้เข้าะ อ, อ, อจาไม่ได้แล้วไม่ไมไปเป็นไรอาทิตย์ที่เราหนูหลุดไปก็เลยไม่ได้เข้าอ่ออของทีมรายงานก่อนอาทิตย์นี้นั่งสมาธิได้ประมาณ80นาทีครับทำไมนั่ง น, น้อยๆเลันะเลืมวันไปตรงนั้ น, 2>, น, น2วันแล้วครับเอนั่งนานเท่าไหร่ครั้งหนึ่งลืมนั่งไป2วันก็ ไม่ไมายถึงว่านั่งนั่งค้างได้นานเท่าไหร่อ่อะเออสิบนาทีครับสิแนาทีทุกครั้งเลยหรืป่านี่เออเกือบทุกครั้งครับเกือบทุกครั้งนะโอเคบางครั้งได้แค่สิบนาทีขึ้นครับเออถ้าเป็นไงมีความสุขไหมไมีครับมีนะชอบหมะนะคะอาจารย์ชอบไหชอบนั่งหมไม่รู้สึกอะไรครับแต่ก็สบายครับ อยายามทำไปเรื่อยนะนะครับแล้วควบคุมใจได้ครับได้ครับพระอาจารย์คะคือก่อนที่เขาจะนั่งสมาธิะคะ่ะหนูจะให้เขาสวดมนต์ก่อนอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแต่ทีนี้เหมือนว่าแบบบางทีเขาก็แบบอาจจะรู้สึกว่าอาจจะช็อตคัตแบบเหมือนเหมือนบางทีอาจจะขอนั่งเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หรือว่าบางวันนะคะเขาอยากจะขอเปลี่ยนสลับจากที่นั่งสมาธิมาเป็นแบบเดินจง เดินจงกรมอาค่พระอาจารย์ก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างไหมคะพระอาจารย์ก็อย่างน้อยก็ต้องนั่งสมาธิอยอะทําเวลาอย่างอื่นเพิ่มก็ทําได้ที่จะเดินจงกรมก็เดินได้แต่ต้องมีแบ่งเวลามาให้นั่งสมาธิด้วยสวยหมดก็ได้ไม่สวยก็ได้ออืค่ะอืแต่สวยก็ต้องมีเวลาวันหน้าสมาธิต่อ ยังไงก็ก็ทิ้งสมาธิไปไม่ได้การนั่งสมาธินี่สําคัญที่สุดค่ะกดค่ะพระอาจารย์ก็คะนุอย่างงี้ถ้าเกิดวันไหนอาจจะสวดช็อตลงมาหน่อยจะได้เน้นนั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาแบบอาจจะแบบเหมือนจะพอสวดมนต์ยาวๆค่ะจะกว่าเรามันต้องทิ้งช่วงแล้วถึงจะกลับมานั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ถ้ า, าสวยก็ได้ถ้าไม่อยากจะสวดถ้านั่งได้ก็นั่งไปเลยก็ได้ค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะให้เขาลองปรับเปลี่ยนดูค่ะพระอาจารย์ก็ของหนูมีเรื่องจะรายงานพระอาจารย์นะคะว่าตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เหมือนบางทีอะค่ะพอเราใช้พุทโธใช่ไหมคะคือช่วงแรกๆอย่างอย่างที่พระอาจารย์ทราบว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยสงบอะค่ะก็จะมีแบบอาจจะมีว่าไปเรื่องนี้เรื่องนี้บ้างแต่เราก็จะพยายามกลับมาอยู่ที่พุทโธอะค่ะทีนี้พอเรานั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบเหมือน มันแบบมันก็สู้กันไปสู้กันมาดึงกันไปกันมาค่ะพรอาจารย์มันจะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เหมือนพอเราเริ่มที่จะได้มีความสงบบ้างอะค่ะพรอาจารย์มันจะรู้สึกเหมือนกับว่าอืมมันจะหยุดความคิดได้ก่อนที่จะมีความคิดนะคะพรอาจารย์หนูจะอธิบายยังไงดีเหมือนว่าแบบพอเรารู้ว่าเรากําลังจะเริ่มเริ่มเริ่มคิดแล้วอะค่ะเราจะหยุดมันได้ก่อนเลยอะค่ะพรอาจารย์โดยที่แบบว่ามันจะมีบางครั้งที่ถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะ พอมันมันยึดกับคําบริกรรมพุทโธค่ะมันจะดีเหมือนแบบติดกับพุทโธไปเลยอะค่ะพระอาจารย์แบบว่าแล้วแล้วมันก็จะมีปั๊กหนึ่งที่เราจะหยุดหยุดความห้ามความคิดของเราได้ก่อนที่เราจะคิดแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ไม่นานนะคะมันได้แค่ปั๊กเดียวแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วเาสติแล้วทันความคิดเอี่ยอนี้ก็ดีพยายามไึกปยี่ไปบ่อยๆให้ทันกับความคิดไปเรื่อยๆพ อ, อจะคิดอะไรไม่ดีเราก็หยุดมันได้ อ่าแต่ว่าก็ต้องฝึกบ่อยๆอะค่ะอาจารย์เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแบบได้ทุกครั้ต้องนั่งเหมือนต้องนั่งไปพักนึ่งเลยอะค่ะอาจารย์พระองใช้เวลาพอสมควรการปฏิบัตินี้ต้องมองว่าเป็นระยะยาวอย่ามองแค่ระยะสั้นๆค่ะอาจจะเป็นปีๆอาจจะเป็นทั้งชีวิตของเราก็ได้อ่อมันถึงจะค่อยปรากฏขึ้นมาทตี้ยเล็กเตี้น้อยค่ะไม่ใช่มันไม่เหมือนกับโปรงต้นไม้แหละ ก่อยรดน้ำไปเรื่อยๆ uh huh. แล้มันโตขึ้นมาแล้วก็จะอาจจะไม่รู้มันโตก็ได้นอกจากเราถ่ายรูปทิ้งไว้แล้วเรามาเปรียบเทียบปีหนึ่งสองปีมันก็จะเห็นผลแตกต่างกันอ่ uh huh. การปฏิบัติก็ในเชิงลนนนักษณะนี้สติจะค่อยมีมากขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นจิตก็จะสงบหรือบ้าขึ้นมากขึ้นไป เ, เล็กเท่าน้อย แต่ถ้ามองวันต่อวันมันอาจจะมองไม่ออกอืมค่ะไว้เรารักษาการปฏิบัติไว้กันแล้วกันอย่าอย่าเลิอกอย่าหยุดถ้าทำได้พยายามทำให้เป็นนิสัยไ ม, ม, ม่มันจะมันจะทาให้ทำให้ทำได้ง่ายขึ้น ก็เหมือนช่วงนี้ขยันนะคะเหมือนที่อยู่แบบช่วงขยันใช่ไหมคะมันก็จะทําแบบเป็นอัตโนมัตินะคะพระอาจารย์ว่าเหมือนแบบพอมีเวลาว่างปุ๊กนาหาหรือว่าลูกไม่อยู่หรือมีเวลาที่ได้อยู่คนเดียวคะ่ะคือแทนที่เราจะไปทําอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็จะแบบปิดห้องเขา้าห้องข้างในแล้วเราก็จะนั่งนั่งนั่งสมาธิแบบนี้เลยะคะ่ะพระอาจารย์เราแบบมันเหมือนชอบมันมีความสุขดีอะคะ่ะก็ก็พยายามทำนั่งให้มากนั่ในบ่อยเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีสมาธินี้ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อจิตใจ ค่ะมีคุณค่าการดูรูปฟังเสียงเนี่ยกับมีพิษมีภัยต่อจิตใจมากกว่าค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะก็จะพยายามฝึกต่อไปเจ้าค่ะพระเจ้าใช่ทุกคนความพยายมอย่ไรความสําำเสมออย่นั้นค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ท้าแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าอ่าแบที่อาจารย์พร้มวิไลคุณอนุกูลแต่เน้ยัง กลับน้องสการพระอาจารย์ค่ะกับน้องสการพระอาจารย์ครับอ่าวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยวันนี้ไปเล่นกอล์ฟมาอ๋ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้เล่นอืหลังเดี้ยมนั่นนาเกลือเรานี้ยจิตตานะก็ไปไปแล้วก็หยุดหยุดขึ้นขั้งกลางฮะไม่ได้เล่นเหมือนที่เคยเล่น แบบกำลังกายนะแค่แบบกลังา็งไปหาเพื่อนฮะไปสังสรรค์ค่ะไป <c oughs> ไปลงทัศน์หน่อยอยู่ในบ้านมันจะรู้สึกจแคบแคบ <c oughs> เอาไปข้างนอกก็รู้สึกกว้างขวางไปอยู่ที่อยู่บ้านทั้งระทิตย์ <c oughs> <c oughs> ต้องออกไปโตเตนิดหนึ่งค่ะโอเคครับ ความพยายามายอือมความพยายาเรา <c oughs> รู้จักความอยากด้วยเหรอ น, ะ <c oughs> นีพูดเป็นแลน ะ, ะความอยากเป็นกินเลสเพิ่งได้ยินวันนี้มันครั้งแรกคพูถึงความอยากฟัง <c oughs> พระอาจารย์บ่อยๆค่อยๆอค่อยๆซึมเข้าไปอ่ะแต่จริงๆรู้เยอะค่ะเพวกป่วยมาเยอะเราก็รับได้ทุกสถานการณ์ อย่างสงบเรียบร้อยก็ก็มีอยู่ในจิตแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะจะไปกัพาาไปกบพระอาจารย์ค่ะลูกๆจะพาไป่ค่ะโอเคนอนหลับันดีนะค่ะพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงใ่สาธุฮะไปที่สันนีต่อกลัลในมัสการค่ะพระอาจารย์ฮไปยงไงมีอะไรไหม สัปดาห์หน้าจะไปขึ้นเขาค่ะไปได้เอประมาณสองคืนค่ะโอเคค่ะแต่ว่าคราวนี้พาจะเอเพื่อนเขาขอไปด้วยค่ะแต่ก็พักพักคนละหลังกันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็ยากกันอยู่ไปไม่ต้องเจอกันน อ, อกจากมีเหตุฉุกเฉินอะไรค่ะตอนแรกกาจารย์มาถามพระอาจารย์ค่ะว่าจะให้คำแนะนําเพื่อยังไงพวกเขาไม่เคยเขาไม่เคยแบบ ปฏิบัติเดียวอะค่ะแต่ว่าวันนี้พอฟังพระอาจารย์เทศตอนกลางวันแล้วก็รู้แล้วค่ะว่าหนูดี๋ยหนูจะเอาคลิปพระอาจารย์เทศไปให้เขาฟังครบท่วนมากเลยค่ะที่พระอาจารย์เทศตอนกลางวันอืมีครบทุกอย่างอดีอ่าไม่มีคําถามอื่นค่ะพระอาจารย์ดีมากก็ก็ให้ไปแล้วมีแต่พบกับความสุขความสงบนะค่ะพระอาจารย์จะตั้งใจปฏิบัติตค่ะอืาเป้าหมายของเราคือความสงบอื ในเบื้องต้นต้องหยุดความคิดเอาความสบงบจากการหยุดความคิดก่อนแล้วขั้นที่สองให้ไปใช้ปัญญาหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากอีกทีหนึ่งค่ะพระอาจารย์โอเคคุณแม่สบายดีนะยังเครียนอยู่กับทางหรือเป่าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่เครียดเท่าไหรค่ค่ะช่วงนี้ก็สงใจ ไปดูซีรีส์ก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ก็ยังฟังเขาก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ซื้ออะไ ร, รก็พยายามเขาก็พยายามห้ามใจอยู่อมอไปสมบัติชั่วข่าวตายไปก็ออกไปไม่ได้นะค่ะถ้าไม่มีเหตุสวิสัยอะไรวันวันศุกร์หน้าก็คุณแม่จะไปกราบพระอาจารย์ด้วยค่ะอ่าดีมาส่งนะใช่ค่ะแม่มาส่งแล้วเขาก็ไปอยู่คอนโดแห้ปึกอยู่คนเดียวค่ะอ่าดี ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปกับพระอาจารย์วันที่พระอาจารย์เทศค่ะยายาตับคุณค่ะอ่ะคุณบัวน้องใครยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะเป็นอยู่น้องคายอยู่ค่ะยังไม่ได้เดินทางเลยเห็นแผนไว้วันที่สิบสามเดือนมกราค่ะอ๋ะอย่างเดือนแรกช่วงปีใหม่ตัวแผนใหม่ค่ ะ, ะค่ะดีระเตรียมตัวเตร็มใจไหมเนะจ้าค่ะ พูดน้อยอย่างพระอาจารย์สอนนะคะใช้สติเยอะๆเจ้าค่ะ อ, อย่าไปหวังอะไรแล้วก็จะไม่ผิดหวังจ้าค่ตัถ้ถ้าไปตั้งความหวังไว้เลยมันไม่เป็นไปดังที่เราคิดมันก็จะผิดหวังมันจะเสียใจเจ้าค่ะทำใจให้กว้างเจ้าค่ะรับยินดีตามมีตามเกิดเจ้าค่ะอะไรก็ได้เพราะไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าค่ะ เราต้องอย่าไปยึดไปติดกับอะไรมากจนเกินไปเจ้าค่ะก็ทําตามหน้าที่ไปแล้วก็ฝึกสติอยู่กับความว่างอยู่กับพูดโธพูดน้อยๆเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ภาษาอีกเยอะเจ้าค่ ะ, ะพูดน้อยๆกินน้อยๆนะเจ้าค่ะโ อ, อเคดีมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะเข้ามาฟังทางขอบพระคุณเจ้าค่ะออาเจ้าค่ะ ไปที่คนเยินดีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หายได้ยังยังค่ะท่านอาจารย์เป็นแค่วันใหญ่นะในรักษณะนั้นนะคะท่านอาจารย์อืต้องไปหาหมอเปล่าไม่ค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ทานยาฟ้าทราโจนะคะท่านอาจารย์อยู่ที่บ้านแล้วก็ดีขึ้นแต่พอดีบังเอิญ เมื่อวานลูกพอมเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ลูกดําไปทานกระเหนี่ยวมะม่วงืมก็อยากทานพอทานแล้วแบบพอตอนกลางคืนตกกลางคืนมันไอใหญ่เลยถ้าอาจารย์ก็เลยแบบเข็ดเลยคะ่ะตอนนี้ก็เลยแบบไม่กล้าทานอะไรเท่าไหร่่ะค่ะถ้าอาจารย์อืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกไปวัดค่ะท่าอาจารย์โอเคเดี๋ยว สบายดีค่ะท่านอาจารย์ฝากความระลึกถึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอลซองเต้ค่ะท่านอาจารย์โอเคค่ะเม่สีโบกูนะมาแม่สี่บกูค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์มียาสูงค่ะท่านอาจารย์เอาตู้เอาตู้ค่ะกุญแจเชียงรายตอนนี้หนาวไม่เชียงรายอุณภูมิต่ําสุดเท่าไหร่จากนักการท่านอาจารย์ครับก็ ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงครับตอนเช้าวันสิบสี่แล้วพระจันทร์ก็ไม่เย็นมากแต่สายมากก็รอนอยู่ครับอาะจันทร์นีม่มาเช้า น, นี้ยีสิบสองอ๋อยี่สิบสองคนละคนละรุ่นเลย <c oughs> <c oughs> ก็ก็อุ่นมาบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วให้เย็นนะครับอืมแต่คงจะไม่ไเย็นไปกว่านี้แล้วมั้งผมว่าน่าจะประมาณนี้ครับพรจันทร์สิบสนี้ก็ใช่ว่าต่ําต่ําพอสมควรแล้วนะถ้าผมอืม ก็วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับผมก็ปฏิบัติทุกวันบุูครับอาจารย์ครับยังได้กลัมาในในสัมชิกบ้างบ้างออช่วงนี้ยังยังไม่ได้ในสัมชิกครับอาจารย์อืแต่ก็กราบว่ารอเดี๋ยวพรรษาหน้าน่าจะในสัมชิกกัครับอาจารย์ครับคือสัรษามันชักจะไม่ไหวแล้วนะนะอายุมากขึ้น <laughs> น่าน่าจะได้หยู่มกันนะครับอาจารย์อรัว่าช่วงนี้ก็เวลาเข้าสมาธิมันก็ เข้าเข้าได้ง่ายอยู่ครับอาจารย์ครับอืเข้าไปลมไม่มีลมลมลมหายไปก็อยู่กับไม่มีลมมันก็เย็นชื่นใจมันมันมันชุ่มมันชื่นเย็นในใจอยู่ครับอาจารย์อืครับเวลาจากสมาธิก็อย่าไปทุกข์กับอะไรนะครับผมตอนนี้ครับตอนนี้มันจะทันนะครับมันจะทันกับที่อารมณ์ความคิดมันขึ้นมามันจะมีสติทันครับ มันจะไม่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่ขึ้นมาครับอาจารย์จะมีอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้ตัวก่อนครับอาจารย์เออเออวจะโผล่ขึ้นมาอันนี้ครับครับครับมันจะรู้ตัวก่อนแล้วก็อ๋อมันขึ้นมาแล้วในอารมณ์ก็ไม่ไม่ไปตามมันครับไม่ไปตามที่มันมันขึ้นมาครับอาจารย์ก็ควบคุมมีสติควบคุมไว้ครับอาจารย์ครับครับผมถ้าเราสมาธิได้มันจะเห็นอารมณ์ ทันอารมณ์ทันความรู้สึกนักคิดคถ้าไม่ได้เข้าสมาธิ น, นี่จะไม่จะรู้ไม่ทันใช่ครับพระอาจารย์ใช่ครับ ก, ก, ก็เหมือนกับพระอาจารย์บอกว่าเออถ้าทํ า, ถ, าถ้าไม่มีสติถ้าไม่พูดโททั้งวันเนี่ยมันมันจะฟองแล้วก็มันจะเข้าสมาธิไม่ค่อยได้เลครับอืก็ต้องทําสมาธิเกือบตั้งแตตื่นมา ก็พูดโทรตลอดเหมือนกันนะครับอาจารย์เวลาเป็นไปก็พูดโทรพูดโทรตลอดครับอันนี้ต้องไปทํางานรึเปล่าก็ผมผมเองไม่ได้ทํางานแต่ว่าเปิดร้านขายไก่ย่างอยู่หน้าบ้านนะครับอาจารย์บอยู่ที่บ้านนะต้องช่วยภรรยาช่วยแม่บ้านขายครับก็พอพอได้อยู่ครับตามชีวิตโซนบดก็พออยู่ได้อยู่ครับอาจารย์ไม่ไม่ดิ้นครับพอมีเวลาให้เจริญสติได้ ครับผมมีเวลาอยู่ครับก็ผมก็พยายามรู้สึกตัวเวลาเดินอะไรก็พูดโธพูโทไปนะครับืุ่งว่างก็อ่านหนังสือธรรมะมันฟังเทศอาศจารย์ประเทศหลวงตาบ้างครับพยายามทำให้มั่งม่นเวลาเราไมีน้อยลงไปทุกวันนะครับผมครับก็ลึกถึงเสมอครับเวลาที่มีพ่อพแม่ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตหรือว่าตายไปอะไรไปก็ น้อมเข้ามาก<ม>ับตัวติรเองตลอดครับอา<ม>จารย์ครับเราจะไม่รู้เวลาไม่คุณค่าขนาดนะั้นจนกว่าเราจะาเสียมันไปหมดมไปครับผมพอหมดไปได้แล้วทำอะไรไม่ได้นั่นครับช่วงที่ไปไปจากโลกนี้ไปมันก็ไปรับผลกุนณผลกรรมจะไปปฏิบัติอะไรไม่ได้นะจะปฏิบัติได้ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไป ก็พยายามถึงที่สุดนะครับอาจารย์อไปเดินด้วยช่วงนมาแล้วผ่านไปผ่านไปแล้วกําลังทําอะไรอยู่ครับผมครับผมก็รลึกถึงคำสั่งสอนของพระอาจารย์นี่ตลอดนะครับไม่คก็ท่านนี้พยายามให้ถงที่สุดเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับผมก็ฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวรอไปพิสูจน์ทีทีครับทำในบ้านไว้ก่อน ในที<ไ>่เวลาขึ้นเวทีเข้าห้องสอบใชะไหมว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับผมทุกวันที่ฟังฟังเออ่ธรรมะของหลวงตาชุดเอชุดเตรียมพร้อมมาอาจารย์ <ละ S 2> ฟังมันชัดมันเห็นมันนีเห็นได้ชัดมากเลยครับอาจารย์ชัดเจนหลวงตาเทศชัดเจนเห็นได้แบบชัดเห็นเห็นตามที่พระเห็นตามที่หลวงตาเทศนะครับอาจารย์ ไปเอามาจากที่ไห น, นอะไรนะครับชุดเต้นพรางนี่ไปเอาไปเอามาจากที่ไหนอ๋อจะมีผมผมไปโหลดแอปผมหลวงตามาครับพระอาจารย์จะมีแบบรวมเลยครับแต่แอปหลวงตามีปฏิปตาปฏิปท า, ร า, ราพระธุดงกรรมฐานอะไรก็มีหมดแล้วครั้นีอยู่ในแอนะครับอยู่ในแอปผมหลวงตาครับโหลดโหลดออกมาได้ครับการโหลดของมือถือผ่าเดนมือถือ ครับผมโหลดลงมาดูเลยครับอาจารย์ครับเวลาฟังก็บางทีผมก็แบบลานลนฟังมันจะไปอยู่ที่การหัดตายด้วยกันนะนี่บ่อยมากเลยครับอาจารย์ผมก็แบบสุ่มฟังไม่ไม่ได้แบบว่าเรียงนะครับสุ่มๆฟังไปอยเยครับอันไหนก็ได้ฟังอนไหนก็ได้นะครับผมคงจะมีเทศเยอะเลยนะครับครับผมรวมรวมรวมเทศทั้งหมดที่ของตามีอยู่ อ๋ครับล้มเทศก็มีครับอาจารย์คาับออกเต็มแต่ไม่ได้ไม่ได้เปิดฟังเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนึ่ยมีชุดเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนี่ก็เทศนเป็นย่ใไ่ฟังเสียงยังไม่ออ่านครับผมที่เทศที่ที่คุณคุณอะไรฮรที่ถือว่าวัดเป็นอะไร้วก็ไปที่วัดอะครับออาครับาครับผมชุดนี้ดีครับดีครับอือชัดเจนมากตรงไปตรงมาไว้ว่าครับ ละกายสกายทิติโดยหล่กครับผมนั่งกายขัน้าไม่ใช่เราครับก็เมื่อเมื่อก่อนนี้นั่งนั่งสมาธิแล้วมันเจอเวทนาก็อยากจะหนีแต่แต่ตอนเนี้อยากจะเจอเวทนาครับเพราะว่าฟังเทศหลวงตาแล้วก็อาจารย์เทศก็คือเราอยากเจอความจริงบางทีมันก็ไม่เจอครับอาจารย์บางทีมันเข้าบางทีมันก็หายมันไม่เจอเลยมันมาเจอกันหน่อยมันก็ไม่เจอเมื่อก่อนนี้แบบว่า เจอบ่อยครับเดี๋ยวก็เจอประมาณชั่วโมงครึ่งนี้เจอแล้เดี๋ยวนี้นั่งไปสองชั่วโมงไม่เจอเลยบางทีครับอาจารย์ก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเหมือนพระอาจารย์สอนว่ามันเป็นอนัตตานะอไมื่รู้จะไขวันใหญ่ก็ได้ให้มันมาอะไรค่ะค่ะผมเดี๋ยทุกวันทุกวันที่เจอนี่ก็คือเจอมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อปวดไหลปวดคอปวดอะไรนี้เจอเจอทุกวันเลยครับอาจารย์ก็ก็ก็พิจารณาไปครับ กออ็อย่าทุกข์กันอย่าทุกข์กันอยู่กันไปครับพี่นาไปเหมือนพระอาจารย์บอกดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปถ้าดูแลมไม่ได้ก็ผลไปอย่างเนี้ยครับพอาจารย์ครับผมนี่นะนอกจากนอกจากเสียงเทปเสียงที่อ่านไปแล้วมีมีหนังสือให้อ่านด้วยบ่อนแฮบนี่เขามีมีครับก็ทีนี Account ้ก็เอาเอาโอโซอันพิเศษเนี้ยของของหลวงตามหาบัวมาอ่านอยู่ครับอ่านมาอ่านอีกรอบ อ่านอ่านไปหลายรอบแล้วครับอ่าในแอปนี่อ่าอันมือถือเนี่ยเนี่เป็นเป็นหนังสือครับอาจารย์อ๋อไม่ใช่ไปถึงตัวในแอปนี่มีมีมีธุระที่เป็นตัวหนังสือให้อ่านหรือเปล่าเออไม่ไม่มีครับไม่มีมีแต่เสียงนะครับมีแต่เสียงแต่แต่มีเยอะมากครับเป็นหลายหลายอยู่ครับมีภาพมไหมมีมีมีเดียหรือเปล่าก็ก็มีมันมีภาพอยู่เหมือนกันนะครับมีภาพขึ้นมาแล้วก็ไหลไหลไปมีคําสอนของหลวงตาด้วยอาจารย์อืมครับ เพดีครับผมพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับผมกับพระคุณพระอาจารย์ครับผมจะพยายามอย่างที่สุดครับพระอาจารย์ครับดีมากครับผมแสาธุครับพระอาจารย์ลดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามครับผมน้อมน้อมไปปฏิบัติตามพระอาจารย์ครับสถูกครับน้องเอิร์นอไปน้องเอินได้ยินไหม แก่นามาสการค่ะพระอาจารย์เอ่ไม่เอะไรไหมวันนี้เอวันนี้วันนี้มาเอฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มาอัปเดตค่ะว่าน้องเอิงเรียนจบไกแล้วแล้วก็มีเวลาได้ปฏิบัติมากขึ้นค่ะอืมแล้วจะเอาไกด์ที่เรียนจบนี้ไปทําอะไรหรือเปล่ายัาง ยังไม่แน่ใจค่ะแต่ก็คิดว่าถ้าถ้าทำแล้วมันเกิดประโยชน์เช่นที่ตั้งใจว่าก็คือพาคนไทยไปสังเวแบบใช้หลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ mm hmm. ถ้ามีโอกาสถ้าได้ทำก็จะทำแบบนี้มากกว่าค่ะจะไม่ได้ไปรับทัวร์แบบลักช r y รี่ทัวร์หรือว่ายุโรปค่ะจะเลือกแบบดินแดนที่เป็นพุทธศาสนาค่ะอาจาน ต, ตอนนยังไม่มีเบอรสัต ที่เขารับเราไปทำเนี้ยังไม่มีมแต่ว่าค่ะก็จะไปอยู่อินเดียค่ะวันนี้ก็มากราบบอกพระอาจารย์น่าจะไปอยู่อินเดียประมาณสองสาเดือนค่ะไปอยู่ที่วัดเนี่ยอ่าใช่ค่ะอยู่วัดไทยค่ะพระอาจารย์แล้วไปทําอะไรที่วัดเนี่ก็ตั้งใจว่ามันจะมีโครงการที่ไปเดินสี่สังเวทค่ะเดินเท้าแล้วถึงที่ไหนก็พักที่นั่นค่ะเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนค่ะอ๋อ ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรบ้างทั้งกับตัวเองแล้วก็ที่นั่นนะคะเราจะเดินเท้าไปตลอดเลยและค่ะเดินทับจากจุดหนึ่งไปสวยจุดนึงอย่างนี้แหล ะ, ะก็ใช้เวลาหลายวันเลค่ะสองเดือนค่ะพระอาจารอืมมันต้องข้างแลตามทางนะใช่ค่ะมีที่พักหรือเปล่าเนระื่งทุดนไปเลยก็คิดก็ไปเดินกับพระด้วยค่ะก็คิดว่าจะใช้วิธีทุดงแต่พระท่านก็จะคิดว่าน่าจะเลือกที่ภากที่ก็น่าจะ ปลอดภัยนะคะก็คิดว่าแบบนั้นค่ะแล้วก็ท่านก็บอกกับเอิงไว้ว่าไม่ได้สบายนะเพราะว่าแบบสมมติถ้ามันไม่มีวัดเราก็ต้องพักตามต้นไม้หรือว่าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอิงก็คิดว่าเอิงเตรียมใจไปค่ะนี่คนไปเยอะไหมเออไม่เยอะมากค่ะไม่แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเดินทางเดือนกุมภาค่ะพอาจารย์อืมมีค่าใช้จ่ายมั้ ไม่อ๋อเอิงออกค่าตัวค่ะแต่นอกนั้นก็คือไม่ไม่ไม่ได้ออกอะไรค่ะนอกนันทุนลงค่าค่ากินค่าอยู่กินกับกินกับพระคือน่าจะใช้ชีวิตอยู่กับพระเลยอะค่ะแต่เอิงแค่เป็นผู้หญิงอืค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็อ๋อที่เอิงไม่ได้มาซูมค่ะก็อย่างที่กล่าวเนี่ยอาจารย์ว่าเอิงก็ใช้เวลาปฏิบัติสองชั่วโมงทุกวันพุธค่ะ แต่วันนี้เดินจงกรมตอนเช้าก็เลยกับเข้ามาซูมนิดหนึง่งมากราบอ mm. าจารย์โอเคดีมากมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์ยัง <Okay. S 1> ปฏิบัติทุกทุกวันค่ะอะขอให้ได้ผลตามที่ปรารถนานะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคให้ที่คุณหมอลุ่มเรียกตาเป็นหมอ นวัต ก, การครับอาจารย์อ่เป็นยังไงอธิตย์นี้ผมทำฝุดมากขึ้นครับอาจารย์แล้วก็พุทโธเมื่ตื่นช้ามากก็พุทโธเลยครับแล้วพยายามฝึกท่องพุทโธตลอดครับก็พบข้อดีก็คือว่าพอเวลามานั่งสมาธิครับอาจารย์มันจะพุทโธมันจะเข้าถึงพอพุทโธตลอดเราก็จะพุทโธได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงความสงบได้ได้เร็วขึ้นครับอาจารย์ คือผมสัปดาห์นี้ผมทาได้สองครั้งที่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆพอพูดโทรไปเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์ตอนแรกๆก็ยังสู้ความคิดอยู่แต่ก็คุมความคิดได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งครับพระอาจารย์พอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่ามันคล้ายๆหลับ่ครับพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่ได้หลับนะครับคือเราเรารู้ว่ามันไม่ได้หลับแต่มันเบาสบายแล้วก็ไม่มีความคิดครับพระอาจารย์แต่รู้ตัวนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าไอ้ผมหลับไปหรือเปล่าก็รู้ตัวรู้ตัว แต่มันเบาสบายนะครับพระอาจารย์อืมแล้วก็ได้สองครั้งครับพระอาจารย์จะก็ได้นานนะครับเป็นผมว่าสิบเป็นสิบนาทีได้ครับสิบยี่สิบนาทีได้เลยครับอืมผมเลยมารายงานพระอาจารย์ว่ามันมันมันใช่ไหมครับพระอาจารย์ท่านมมสเดก็ใช่ครับมันรู้ตัวครับพระอาจารย์มันเช่อเหมือนกับเราแบบเคยนั่งสมาธิแล้วหลับไปก็อีกอย่างนะครับพระอาจารย์อืแต่มันรู้แต่มันจะมันจะเบาสบายเบาสบายกรับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เหมือนลอยในในอากาศนี ครับเหมือนแบบกึ่งหลับครับอาจารย์กึ่งหลับแต่ไม่ได้หลับอ่ะครับผมก็ยังมาถามภรรยาว่าอตกลงมันทีเ่เราหลับแล้วก็ไม่ได้หลับนะรู้ตัวตลอดเวลาเลยคือผมตอนนี้ผมก็ว่าตอนไหนผมก็นั่งครับอาจารย์อย่างอยู่ในรถเอปกติก็นั่งรถไฟก็จะไม่ได้เป็นไม่ได้ขับเองอะครับอาจารย์มีคนขับให้ก็จะนั่งผมยว่าเอพี่ไม่ได้หลับนะเพราะว่าเลี้ยวเข้าซอยเรารู้ว่าเลี้ยวเข้าซอยว่าจะถึงบ้านแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมาครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พบ ความแตกต่างครับพระอาจารย์ก็คือว่าเอา่อพอเวลาทํางานเวลาจะจะมีเรื่องเครียดเคียดหรือจะมีอารมณ์ขึ้นมาครับอาจารย์รู้สึกจะจะรู้สึกว่าโมโหเลยอย่างเงี้ยครับมันจะรู้ทันแล้วก็จะจะรีบกลับมาท่องพุทโธได้ครับพระอาจารย์อเลยทําให้ดีขึ้นเยอะครับพอจะเราไหวขึ้นครับพระอาจารย์ครับมผมว่าไม่ได้โกรธมาไม่มีการโกรธเนี่ยมาเป็นเดือนหนึ่งได้แล้วครับพระอาจารย์ ไม่มีอารมณ์เสียไม่มีหงุดหงิด น, นะครับ mm hmm. แล้วก็จริงๆพุดโททั้งวันนี่ดีมากเลยครับพระอาจารย์ mm hmm. ผมมีเรื่องเรียนสามอาจารย์เรื่องหนึ่งก็ปกติผมเป็นคนสวดมนต์เยอะมากอ่ะนะครับคือตอนเนี้ยถ้าระหว่างเราเลือกที่จะตื่นมาแล้วพุดโธเลยแล้วแลสวดมนต์น้อยลงเนี่ยครับพระอาจารย์แล้วก็พอเ ว, วลาพีเวลาว่างนั่งสมาธิหรือว่าเรายังสวดมนต์เยอะเหมือนเดิมครับพระอาจารย์คือเดิม mm hmm. ผมสวดสวดตวัจนจากท่าจบสวด ทุกคาถาเลยครับพ อ, อาจารย์ครับไม่ต้องสวดก็ได้ถ้าเราพุโทโธได้นั่งสมาธิได้ก็ครับ ก, ก็ทําไปเลยทาไปเลย ไ, ได้นะครับพอาจารย์การที่ต้องสวดเพราะว่ายัางยังนั่งไม่ได้นั่งโอ้อนต้ององาศัยการสวดไปก่อนครับคือสมัยตอนผมไม่ใหม่ครับพระ อ, อาจารย์ผมก็บอกว่าเออผมจะสวดบท น, นี้ตอนนั้นยังนั่งยังปฏิบัติพุโทโธกับสมาธิไม่ได้ครับอาจารย์ผมก็จะบอกว่าผมจะสวดธรรมจักรห้าจบสวดพาหุงสวดชีน้บัญชร สวัสดคาถาต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับพระอาจารย์อืมทีนี้พอจะเลิกนี่เราก็เราก็ไม่สวดได้ครับถือไม่ถือว่าปิดศัจจะใช่ไหมครับพระอาจารย์ไม่ผิดครับก็เป็นในการพัฒนาการปฏิบัติของเราครับพระอาจารย์เพราะว่าผมคิดว่ามามาเก้าไปที่จุดพุดโธเลยเนี่ยอืดีกว่าครับเพราะว่าพอตื่นเช้ามาก็พูดโทพุทโธพุทโธรแล้วเราก็ไม่พูดด้วยนะครับเราก็จะทําให้เราไม่ค่อยพูดกับใครแล้วเราก็จะพุดโธไปแล้วเวลาประชุมหรือเวลาทํางาน จะสะดวกกว่าครับเดิมเราจะให้สดว่าอันนี้พุทโธไม่มีใครรู้เลยครับแล้วเราก็แต่ก็ยังฟังได้รู้เรื่องนะครับอาจารย์ยังฟังยังฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันมันรู้สึกมันสบายขึ้นเยอะเลยครับขอบขอบขอบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับผมเลยมารายงานความเคลื่อหน้าและจะปฏิบัติมากๆขึ้นนะครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ธาจางแข็งแรงนะครับครับพระอาจารย์คุณสาธกาชัยนาท อากาศน้ำลดเลยยังใช้น่าน้ำลดแล้วอาจ า, ววาจารย์เขา้าหน้าหนาวแล้วค่ะหมดแล้วนะปีนี้ค่ะค่ะมาฟังธรรมค่ะอาจารย์โอเค okay. ค่ะค่ะคุณอุษาคันนี้ทางตายเรานำทวนเลย น, น, น ะ, ะนวัต ก, การมค่ะอาจารย์ ที่บ้านโยมฝนตกไม่เยอะค่ะจา์ตกแบบตกแต่ว่าไม่เยอะยังไม่ท่วมค่ะตอนนี้โยมอยู่ที่วริต้าโคฟบ้านอำเภอค่ะจารอ่าเพิ่งมาถึงไหมคค่ะถึงวันนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้นเขาค่ะจัะ์อืมขึ้นยีน่วันอ่ะอ่าออกวันที่สิบเจ็ดค่ะเจ็ดหกวันหกคืนค่ะอืมอันนี้ อันนี้มาบ่อยขึ้นนะพยายามมาให้ได้เดือนละครั้งค่ะจย์ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะพยายามมาให้ได้รอบนี้เป็นรอบที่ยี่สิบแล้วนะคะจารยี่สิบครั้งว่าค่ะยี่สิบครั้งแล้วค่ะ ด, <า>ดีไหมพัฒนาการมีการพัฒนาการดีขึ้นไหมโอ้เจอะเลยค่ะจารย์แบบนึกไม่ถึงว่าจะมาได้ขนาดนี้ค่ะจารย์มันได้เยอะเลยค่ะจย์ทั้งด้านทั้งนั้นปฏิบัติแล้วก็เรื่องของอารมณ์และจิตใจนะคะอาจันไม่ไม่เหมือนเดิมค่ะจย์อืมค่ะ แล้วก็โยมโยมมันมาวันก่อนนี้ไปไปอ่านหนังสือไอ้ฟังธรรมะอีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็ไปถึงคําว่าปฏิจจสมุปบาทปกติโยมจะไม่รู้เรื่องของบาลีไม่รู้เรื่องของหนังสือพวกนี้นะคะจานโยมปฏิบัติอย่างเดียวยมไม่สนใจอะไรเลยตรงนี้ฟังน้องเขาถามมาจารย์อยู่บ่อยๆแต่โยมก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมาวันนั้นก็ลองมาฟังดูเขาบอกว่าเป็นบทสวดที่มีในพระไตรปิฎกโยมก็ลองอ่านดูตัวทั่งอ๋อ มาเริ่มต้นจากอาวิชาปัิยาสังขาราแล้วก็มันเชื่อมโยงไปจบที่ตายยมก็งงว่าทำไมต้องเชื่อมโยงแบบนั้นว่าจากอาวิชาไปเป็นสังขารสังขารมาเป็นอะไรแบบนี้โยงโยงไปก็เพิ่งมาเข้าใจว่าแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมไปแล้วก็เป็นวงจรไปถึงตายแล้วตายแล้วเกิดชาติพบใหม่วงแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เออใชอ่ค่ะเพิ่ง ก็ตอนแรกสงสัยอ๋อมันเชื่อมโยงจากอันนี้มาอันนี้อันนี้มาอันนี้ตอนเถิดก็คือวิชาความหลงความหลงก็คือไม่เห็นตายนะไปหลงคิดว่ามีตัวมีตนเมื่อมีตัวตนตัวตนก็อยากจะหาความสุขอย่างรูปเสียงกิ่นรสอ่าอ่าเพราอะไรต้องมีร่างกายก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายคือเมื่อก่อนจะไม่รูปภาพดีค่ะอาจารย์แลมีปัญญาก็เห็นว่ามันทุกข์ ทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์อย่าประยากได้มันวยายามตัดวงจรค่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่าอนุโลมปฏิโลมยมก็ลองเชื่อมกลับมาอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในนั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อ่มันเป็นตัวตัวที่ทําให้จิตเวียนไหวตายเกิดอยู่เรื่อยๆอ่าแสดงว่าถ้าเราจะมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือควบคู่ไปด้วยกับการปฏิบัติ ก็แล้วแต่บางช่วงบางช่วงถ้าเราอยากจะอ่านอะไรก็ได้ถ้าเราต้องการทุ่มเทให้กับการฝึกสติเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ถ้าอยู่ในช่วงปัญญาเราอยากจะเข้าใจอะไรมากขึ้นก่านจะต้องอ่านก็ได้คือก่อนหน้านี้ก็ภาวนาอย่างเดียวจนกระทั่งมาโยมก็เห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะโยมโยมเอาตามอาจารย์เลยนะคะอาจารย์บอกว่าปฏิบัติแล้วก็อ่านหนังสืออย่างนี้โยมก็เลยวางแผนการปฏิบัติของโยมตามที่อาจารย์ทำอะค่ะพอมาอ่านหนังสือ เออมันทําให้เราพอเจอปัญหาปุ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาใช้แก้ปัญหาได้ดีกว่าค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่เลยครับดีแต่ก็อย่าไปอ่านอย่างเดียวไม่คอะอ่า น, ออานพอให้เรามีความรู้แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ต้องปฏิบัติมากกว่าอ่านคือยมยมจะมาอ่านช่วงที่ว่าเรานั่งภาวนาเราเดินจึนกระทั่งเรารู้สึกเรามาพักก็มาอ่านแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ได้กันได้ สาธุค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะยมรู้สึกว่าโอ้มันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะอาจารย์ทั้งการภาวนาแล้วก็อารมณ์ของตัวเองอเรารู้สึกมันแกว่งได้น้อยลงแล้วก็มีสติในการคุมอารมณ์ได้มากขึ้นค่ะอาจารย์อืสาธุา ค, ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสาธุสาธุไปได้ปุเพตเป็นปุเพ กลับน้ำราชการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะนี่นะเจ้าค่ะของหนูก็วันนี้วันหยุดก็เลยปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ครับก็แบบทําความสะอาดบ้านเลยค่ะจักรีันแบบตั้งประมาณว่าตั้งแบบไม่อย่างนะคะพระอาจารย์ทำอะไรให้มีสติพอหนูคิดหนูแค่คิดว่าทํำทุกอย่างแต่ละจุดแต่ละจุดแบบมีสติค่ะพระอาจารย์ มันกลายเป็นว่าทําได้เยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเฉยๆกับกายนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนหนูเคยแบบตั้งว่าฉันจะทําความสะอาดอย่างอะค่ะพระอาจารย์ทําความสะอาดห้องน้ําทำยังไงนะแต่ผลก็คือมันไม่ได้ตามความอยากเหมือนใจก่อนนะคะแต่พอปัจจุบันร่างกายมันพังเยอะหนูก็ใช้หลักการแบบนี้สติห้ามอยากค่ะพระอาจารย์ กลายเป็นว่าทําได้เยอะมากกว่าขอพระอาจารย์ที่ตัวเองเคยอยากอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ทําไปตามขั้นตอนทําไปเรื่อยๆได้ได้มากได้นะก็ไม่เป็นไรขอได้ทําไปแล้วกันเจ้วค่ะก็เลยสนุกกับการทำเป็นคิดเป็นกิจกรรมอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์จนลืมไปว่าตัวเองมีปัญหาทางกายนี่ค่ะพระอาจารย์แล้วค่ะก็ดูตัวเองไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์โอเค ดูใจดูกิเลส น, นะโทษค่ะจะอาเทาค่ะอ่คุณปุ้ยจะอันนี้อันอันวีดีโอมาไวไห้หรือเปล่าเนี่ย AI หรือเปล่า <c oughs> มันม่ได้ AI อะไรงามกรกรมวการครับอาจารย์ <c oughs> ไม่ใช่ AI ครับอาจารย์สบายดีไหมคะใช่สบายดีค่ะคุณปุ้ยก็ปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่าไม่สบายนิดหน่อยมันแบบ มันไม่รู้ว่าเราเป็นไข้หวัดหรือว่าเราไปติดเชื้ออะไรแบบอยู่อยู่อยู่ก็แบบเวียนหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยหัวบ้านหมุนแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนกับเราโดนอะไรคือตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ตื่นธรรมดาแล้วเราจะนั่งสมาธินั่งแล้วมันมันเหมือนมีคนมาฉุดฉุดกระชากลากให้มันแบบนอนอย่างเงี้ยค่ะอก็มอง ว, ว่ามันเป็นอนิจจ์นะนั่งกายมันแปรปรวน <ฮา S 2> เปลี่ยนแปลงไปเลยอืนะโยมก็ทำ วันนี้โยมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมฟังธ ร, รมพราะจารย์แล้วก็สวดมนูลตรวจชินบัญชรของโยมแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงตามหาบัวก่อนจะมาฟังพระจารย์ค่ะแล้วก็โยมเชื่อว่ามีเพียงพระพุทธเจ้ามีเพียงพระธรรมที่จะพาโ ย, ยมให้รอดได้โยมก็อธิษฐานแล้วว่ายังไงโ ย, ยมก็จะเดินทางธรรมและเจะกิญกระทำบาปแล้วโยมกลัวว่าโยมเนี่ย จะไปโดนพลังงานลบหรืออะไรมาเน่ฮะพระอาจารย์พม่กลัวหรอกมีสติได้อย่างสู้กับทุกอย่างได้หมดใช่ค่ะโยมโยมรู้ว่าตั้งแต่โยมอ่ะเข้ามาหาพระอาจารย์เนี่ยห้าปีแล้วห้าปีกว่าแล้วนะออตอนนี้โยมรู้สึกว่าโยมใจเย็นลงทำอะไรช้าโยงรู้จักคิดก่อนพูดแล้วก็มันมีสติมากขึ้นค่ะจ้ะพระอาจารย์ แต่ว่าถ้าจะให้โยมเห็นนรกเห็นสวรรค์นะโยมไม่เห็นเหมือนทุกคนนะคะแต่ว่าเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวได้เราไม่เหงาเรามีอะไรทําแล้วแบบเรารู้สึกเลยว่าเออเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดว่า เ, เวลากลุ่นเรามันก็เหมือนกันเนาะแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่มันเร็วคะ่ะพระอาจารย์อื แล้วยมรู้สึกมันเหมือนมันหมิ่นน้าอะไรที่มันลดเข้ามาบนหัวเนี่ยเวลายมฟังพระอาจารย์เนี่ยมันเหมือนน้าทิพอะไรก็ไม่รู้ลดมาบนหัวแล้วเรารู้สึกดีแล้วเราอยากจะปฏิบัติทำอันนี้อันนี้ไม่ได้ทําโฆษณาให้พระอาจารย์นะฮะแต่มันมันเรื่องจริงค่ะคือเรื่องจริงยมก็เลยแล้วว่าตั้งจิตตั้งใจว่าทุกปีทุกวันยมจะต้องสวดมนต์ให้ได้เจริญจิตภาวนาให้ได้มึงทีมันเหมือนมีตัวอะไรอะมันฉุดโยม แต่โยมก็พยายามทำค่ะพระอาจารย์โย ม, มไม่อยากไม่อยากตกอบายค่ ะ, คะโยงถวายบุญกับพระอาจารย์โยมมาดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์โยมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่สร้างโยมให้เป็นคนดีอีกคนหนึ่งก็ดีใจด้วยที่สามารถทำให้โยมเป็นคนดีได้ใจโยมมาดีใจโยมเอา รูปพระอาจารย์กับรูปหลวงปู่มั่นโยมอยากจะโยมอยากจะเดินตามพระอาจารย์ไปกราบหลวงปู่มั่นโยมจะไปขอบคุณหลวงปู่เพราะว่าถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นโยมก็ไม่ได้เจอพระอาจารย์นะคะโยมมาดีใจมากเลยถ้าถ้าพระอาจารย์ได้เจอหลวงปู่กราบขอบคุณท่านด้วยนะคะโอเคค่ะโ <Okay. S 1> ยมขอพอรค่ะอาจารย์อ r e you o n ร of Sukhang so p จาธุเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตขันแข็งแรงอยู่ไปถึงร้อยปีเลยนะคะเจ้าสาธุดาคุณแนนอุนดร อ, อืมงการนม่งสักเรั้แทๆตามดูไม่มีคำถามก็ค่ะโอเคไปที่คุณลุกจคุณหมอคุณหมอสัตวแพทย์นักสัตวมากเลยนะทำเป็นแม่ด้วยนะ นวัตกรรมค่ะพระอาจารย์วัตกรรค่ะอืมรต้นที่ตัดสินใจเรียนสัตวแพทย์พเยพราะอะไรเพราะชอบสัตว์แน่เพอเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรียนเองก็จะได้ไประหยัดเงินรักษาค่ะอ๋อไม่มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านด้วยนะเหมือนกับตอนตอนนั้นคุณแม่ก็ก็ชอบช่วยหมาแมวจร อ, อยู่แล้วค่ะอะอเธรก็มองว่าถ้าเราถ้าเราา พ, พาไป พาไปรักษามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เยอ ะ, อะก็เลย ถ, ถ้าเรียนเองมันก็น่าจะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะอ่าก็ดีค่ะ<อ>ได้มีความสุขจากการได้เชื่อเรือตันนะค่ะพระอาจารย์ก็มีความสุขค่ะแล้วก็มีบาญแม่ตาค่ะ<อ>แล้วเวลาโดนมันกันนี่รู้สึกยังไงบ้างวะ กรธไหมไม่โกรธไม่ค่ะนี้หนูก็เพิ่งโดนมาอีกหนึ่งค่ะที <c oughs> นี้หมอต้องคอยคอยฉีดยากันอยู่เลยค่ะก็ต้องคอยกับระตุน้นค่ะกระตุน้นวัคซีนค่ะก็ไอเรื่องประกันอุบัติเหตุก็คือขาดไม่ได้ค่ะพยาบาลเพราะว่าโดนบ่อยอืมมันมันเป็นอาชีพค่ะมันอยู่มันอยู่กับเขาทุกทุกวันอือค่ะ มีอะไรไหมวันนี้คุณแม่อ่าวไม่มีค่ะก็อยู่กับตอนนี้ก็อยู่กับอิอริยาบถย่อยมากขึ้นนะคะอืมมีสติอยู่ตลอดเวลานะใค่ะอ่าเม่อเวลาว่างก็นั่งให้มากขึ้นยิ่งนั่งแด้นานเท่าไหล่เจตยิ่งมีกําลังมากขึ้นมีอุเบกามากขึ้นปล่อวยวางวางเฉยได้ง่ายขึ้น ถามาพระอาจารย์ก็ต้องซ้อมตายกันอยู่เรือ่อยอค่ะอ่าใชไหมต้องตายแน่แน่ถ้าคิดอย่างนี้ห น, น, นีไม่พ้นบางทีคิดเราก็ยังแบบกลัวอยู่มากเลย ค, ค่ะพระอาจารย์ก็เราไปคิดว่าเป็นตัวเรามันก็กเลยกลัวเลยเราไปคิดว่าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเป็นก้อนดินน้ําลมไฟมารวมตัวกันเป็นอาการ312แล้วเดี๋ยววันนึ่งมันก็จะแยกตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมของมัน เรเป็นเพลงแต่ผู้มาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการกระทําตามความอยากต่างๆของเราเนั้นนี้ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากมันจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเราพยายามหาวิธีเป็นวิธีหาความสุขอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขหาความสุขจากความสงบจากการภาวนา แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งน่างกายพอเราไม่พึ่งนั่งกายได้มันจะตายจะอยู่มันก <yo> ็เราก็ไม่เดือดร้อนกับมันเราพยายามพิจารณาอยู่เรืวมันไม่มีตวัวตนมั น, os os นแค่ดินน้ำลมไฟแยอาการสามีสาวอยู่แล้วไล่ไปถามผมนี่เป็นเราเปล่าเี็ตัวตนหรเปล่าผมคนเี็ตัวตนหรเปล่าเล็บเป็ตัวตนเปล่า ในไเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าไม่มีตัวไหนเป็นตัวตนนะเป็นแค่อาการชาหนึ่งสองทํามาจากดินน้ำลงไปเราเพนแต่มะอาศัยมันเป็นเครื่องมือบนรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นคนขับรถให้คิดอย่างนี้รถเป็นอะไรคนขับไม่ได้เป็นไปขับรถร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ถ้าใจมีปัญญาใจก็วางเฉยได้ไม่ยึดไม่ติดอ น, นาคตเจริญาตายร้างหนึ่ืเอยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีคำถาม<า><า>แล้วค่ะโอเคปฏิบัติต่อไปนะค่ะแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่าไม่ใช่คุณหมอให้ท่านคุณหมอภาสนาอันนี้หมอฟันใช่เห็นไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอดีตหมอฟันค่ะพระอาจารย์เปนอดีตนะคะใช่ค่ะเป็นอดีตเป็นอดีตเป็นสัญญาอืมตอนนั้นไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นคหมอใจแล้วนี่เป็นี่ยนมาเป็นแ่ะมันเป็นหมอใจรักษาใจะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ก็พยายามมีความเพีย เธอตั้งความเพียรเอาไว้นะคะพระอาจารย์เรื่อยๆอก็ปฏิบัติตลอดแล้วก็ดูตัวเองไม่ประมาทพราะอาจารย์บอกความตายเรไม่รู้ใช่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเราไม่มีใครรู้กันอ ต, ตอนนี้มีเวลาเรีบตักน้ําขึ้นให้เรีบตักโบราณทั้งว่าอย่าประมาณโอ๊ยเราตักพรุ่งนี้ก็ได้มาลื่นนี้ก็ได้เดี๋ย ว, วพรุ่งนี้มนันอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีใครรู้ ว่อะไรจะเกิดขึ้นมันตายได้หลายรูปแบบตายแบบร่างกายสมบูรณ์าก็งแรก็ได้ตายแบบอุบัติเหตุก็ได้นไม่มีอะไรตายตัวตายมาเมื่ไรก็ได้อายุเท่เาไหร่ก็ได้คที่ไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่มีใไรกําหนดได้คิดอย่างนี้แเราจะได้ไม่ไม่ประมาทเราได้รีบ เพราะถ้าไม่ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์นั้นทำบุญไม่ได้นตัดดวงมรรคผลนิพพานไม่ได้ะก็งอนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วคราวหน้ามาเกิดกมนุษย์จะมีพระพุทธศาสนามาคอยสอนเราหรือเปล่าตันนี้เรามีครบ ท, ทุกอย่างเพรา้อมมีร่างกายของมนุษย์มีชีวิตอยู่มีมีพระธรรมคําสอนมีเวลามีทุกอย่างแล้วทีนี้ อยู่ที่เราจะทำแล้วไม่ทำเท่านี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ต้องตั้งใจทําพระอาจารย์ชาลิที่มีพระอาจารย์คอยสั่งสอนยู่ต้องอให้รอถึงได้พระอาจารย์แต่เห็นใจรักไ ด, ไ ด, ได้ได้ตลอดได้ง่ายขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็ยังสงบดีมากเลยพระอาจารย์แต่ก็ไม่ประมาทพระอาจารย์ก็ยังทําตลอดดีมากโอเคมีอะไรไหมขอบพระคุณ ไม่มีค่ะพระอาจารย์ทำตลอดอาจารย์ขอขอบคุณค่ะแผน่นทีน่เป็นอเมริกานาที่ว่าเหมือนกันนะตอนนี้ฝนหยุดแรืวยังไม่ยังมีฝนอยู่แบบน้อมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้แล้วก็หยุดไปแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็มีกลุ่ิอุตุบอกว่าเราเราตั้งแต่วันที่สิบสามถึงประมาณวันที่ ยี่สิบกว่ากับพระอาจารย์ก็จะมาอีกระโับหนึ่งเขาเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะอ้างว่าคงไม่ท่วมนะค่ะก็ทุกคนก็เควอระวังอยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคนที่อยู่ในที่รุ่งก็ก็มีการแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์ก็จะออกมาเป็นตําเป็นสื่อออกมาเลยใช้เสียงใช้เสียงแบบไร้าสายเจ้ า, าค่ะอาจารย์อืมค่ะมันก็สะดวกขึ้นค่ะ มันก็สะดวกขึ้นบ้ากค่ะพระอาจารย์ของลูกนั้นก็ปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์ก็ตามดูอารมณ์ของของเราทีว่าเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นว่ามันเป็นยังไงบ้างบางทีก็มีขึ้นมีลงก็ควบคุมได้แต่ในช่วงนี้นะคะพระอาจารย์มันช่วงหน้าฝนมดจะเยอะมากประมาณสองอาทิตย์มากแล้วก็เกิดความทุกข์ทุกตรงที่ว่าไปทาให้หมดตายถามพระอาจารย์ว่า มันจําว่าปมากนี่คะที่เราที่ทําให้เขาตายถ้ามีความตั้งใจก็บาปถ้าไม่มีความตั้งใจก็ไม่บาปถ้าเราเผอไปเหยียบบันแล้วเผลอไปทําอะไรโดยไม่มีเจตนาลุงทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็วางไว้ก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งเช่นไปปอกมะละกอปอกอะไรปอกเสร็จแล้วมาถึงหันมาทางนี้อ้าวมันก็ขึ้นมันเต็มแล้ว มันแบบบางทีก็ได้กันได้กันเนาะก็มันก็โดนรับกรรมไปแล้วกันรับกรรมมันไว้ก็ต้องเป็นผลรับผลของกรรมนั้นแต่ถามถามเพื่อนเพื่อนบ้านว่าที่บ้านมีบ้างไหมก็บอกว่ามีมีกันทุกบ้านก็คือเจอสภาพปัญหาแบบนี้ก็เลยเขาบอกว่าใช้วิธีการร ว, ว่าเอาถาดมาลอยน้ําแล้วก็วางกับข้าวพอทำเสร็จปั๊บเอากับข้าวไปวางบนถาดลอยน้ําเลย แต่บางบ้านก็แก้วิธีโดยการฉีดฉีดยาฆ่าไปเลยแต่ที่บ้านนี้จะไม่ไม่ทําอย่างนั้นโดยอาศัยการกวาดการเช็ดกันถูบางส่วนมันก็ต้องตายกับอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์มากด้วยบองทีก็ทุกข์จนเครียดกับอาจารย์จะดับความทุกข์นี้ได้ยังไงบ้างคนระับอาจารย์พยอมรับจำไป็นยอมรับ ค่ะยังเต็มอยู่เลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเวลาไลยมันออกไปหมดไปหมดปั๊บอ่ะมันก็ไปพอพอช่วงนี้น่าจะผลจะตกอีกนั่นแหละมันก็เข้ามาเต็มอีกทั้งบดแดงบดบดบดคันไฟบดสีดําเต็มไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะส่วนอื่นนั้นลูกไม่มีคําถามเจ้ากับพระอาจารย์โอเคสาธุสาธุเจ้าค่ะคนณตาย พัิยาน้อมกลับนมั ส, ส ก, การค่ะพระอาจารย์อ่เป็นยังไงบ้างอ่าเพิงออพ่งออกจากไม่ใช่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งไปหาหมอก็ตัดแผลแมวกัดหัวค่ะพอาจารย์แมวขย่อมตอนแรกก็ไม่กลัวแต่เลือดเต็มเลยก็เลยต้องอ่ะไปหาหมอดีกว่า อไปฉีดยาฉีดยาการพิษนักบาพิษนักบ้าแล้วก็การบาดพยาธิใช่ค่ะมันเลือดมันเยอะมากเลยมากานรายกานดีมาค่ะแต่ก็ยังหลายเข็มอยู่ผ้าจาย์พิษนักบ้าต้องฉีดตามวันเวลาที่เขากําหนดสี่เข็มใช่ค่ะแต่ก็ยังหลายเข็มค่ะุ่กาอาทิษนักบาต้องฉีตามวันเวลาทีกำหนดสี่เข็มใ่ค่ะ จะเดไปนถึงใช่ค่ะก็ก็หายดีขึ้นแล้วล่ะค่ะอาจารย์แต่ช่วงนี้กันว่าไอ้ดวงตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ฟาดเคาะไปอแมวแมวลูกชายแต่ที่จริงแมวก็แมวมันก็ฉีดยาแล้วล่ะค่ะแต่เราก็กันไว้ก่อนหมอบอกว่าต้องฉีดไว้ก่อนแล้วก็เชื่อเชื่อหมอก่อนเราไม่แน่ใจว่ามันเขามีเชื่อหรือเปล่านะค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดจะไปค่ะพระอาจารย์อพอไปหาหมอแล้วมันนั่งนึกเอ๊ะอันนี้เรากลัวตายหรือเปล่าแต่ยอมคิดว่าเอ๊ะเรารักษาได้แล้วก็รักษาไปก่อนใช่ดีกว <c oughs> จะมาดีกว่าจะมาเสียใจในภายหลังว่ลูกนี่ฉีย่ยาจะดีกว่าใช่ค่ะก็เอาคําเอาคําพูดของพระอาจารย์นั่นแหละมา <c oughs> มาบอกให้ตัวเองไปโรงพยาบาล <c oughs> แล้วพอ <c oughs> พอไปโรงพยาบาลก็นึกถึงเออเรากลัวตายหรือเปล่าคงไม่หรอก เรารักษาได้แล้วก็รักษาเหมกันกลัวไม่กลัวไม่กลัวเป็นคนเรื่องกันกลัวไม่รักษาได้ไม่กลัวก็รักษาได้ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังธรรมจากเพื่อนๆนนะคะพระอาจารย์โอเคค่ะแฟนก็สบายดีหายดีก็ยังตอนนี้ยังค่ะพระอาจารย์ก็จะนัดถอดนอตถอดนอตวันที่สิบแปดที่จะถึงเนียค่ะอืม ก็ก็ดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ยังไม่กล้าแบบไม่กล้าเอาไม้ออกอก็ยังเกรงๆอยู่กลัวมันหักอีกรอบเยอะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเลยรอให้เขาเอาน็อตออกก่อนแล้วกลัวโดนถ่าอ <ๆ S 2> ีกก็รอรอรอให้มันครบตามที่เขาบอกว่าเออเอาไม้ออกได้แล้วค่อยเดินค่อยหัดเดินเอาไหนก็ทํางานได้ตรงนี้ทําได้มาก็ก็ทําค่ะอาจารย์เพราะว่าทํานั่งนั่งโต๊ะสั่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ เดินยังเดินไม่ได้เอ่อต้องใช้ไม้ค่ะต้องใช้ไม้ค้ำเดินค่ะอาจารย์เดินเองยังไม่ยังไม่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สาธำบอกใจเย็นๆนะต้องรอให้มันพื้นฟูตัวมันเองเร็วไปไม่ได้ครับคุ้ใช่ค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขาใปลอดภัยนะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ ไว้มจพ่อัแงแรงค่ะสาธุคป็นมาลีจากนลพ่อค่ะนี้หนุก็มีคำถามค่ะมาฟังค่ะโอเคสบายดีจิตใจสบายกายสบายใจค่ะหลวงพ่ออพร้อมทุกอย่างขอบค่ะ อ, อะไรจะเกิดก็รับบันได้นะ หลวงพ่อเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาครามมีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาค่ะหลวงพ่อเราเกิดแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องดับใช่ไหมคะลหลวงพ่อเออใจเราอย่าไปทุ่มกับมันเราไม่ได้เป็นร่างกายค่ะหลวงพ่อน่างกายไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราค่ะหลวงพ่ อ, อเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งค่ะหลวงพ่ อ, อดีถ้าไม่มีอะไรก็ไปต่อนะค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะโอเคคุณคูณนิงเชิญคุณิงกลับราชการอาจารย์ค่ะนะทั้งคนนี้รู้สึกเรียบร้อยขึ้นเยอะนะ ค่ะก็ก็ก็เรียบร้อยค่ะเหมือนเขาโตขึ้นแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเขาเขารู้ความมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เป็นคำรับประทามากขึ้นใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเดินทางไกลมาถึงขนาดนี้ได้อ ต, ตอนแรกก็โอ้โหดื้อแบบไม่มีเลยแต่พอเวลาถึงวันเสาร์เขาก็จะถามว่าไปกี่โมงกันคะเออดีเดย์ก็จะถามว่าไปหาทูตจ้าตอนไหนอ่ะ เขาจะถามเขาจะก็เตรียมตัวโอเคเขาก็แบบนี้ีินข้าวให้เรียบร้อยแล้วถูกก็รีบไปก็จะขยนันแข่งกันค่ะอาจารย์ว่ามีอะไรไปให้ลิง์ให้ปลาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องเตรียมขนม ป, ปังใส่ไว้ในรถแล้วก็น้ำไปให้เขาอะค่ะถ้าไม่มีเขาก็จะถามอืมค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมของเขาในวันหยุดซึ่งเขาจะรู้หน้าที่แล้วค่ะอาจารย์ ค่ะด้วยความที่เออ่หนูก็เลยเข้าใจเลยว่าเออ่การที่เราจะต้องพาเขาไปทําซ้ําๆแบบสม่ําเสมอมันจะช่วยให้เขาได้สึกษาเหมือนกับตัวเราเหมือนกันแหละครับพระอาจารย์ปูกฝังนิสัยค่ะปลูกฝังนิสัยเหมือนกระจก<ม>สะท้อนตัวเราด้วยนะคะพระอาจารย์ห<ม>นูก็เลยมองเห็นทั้งตัวเราด้วยซึ่งมันท<ม>ําให้เรา<ม>ค่ะ เราต้องปลูกฝังที่ใช่ใหม่ที่ดีให้กับตัวเราขาใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขามากไม่ไม่เอาใจไปใส่ว่าโอ้หุนวายว่าเขาจะดื้อเขาจะอะไรยังไงไหมห อ, อะไรอย่างนี้ครับพระอาจารย์แต่พอพอระวังใจแล้วก็อ้าก็แล้วแต่ธรรมชาติของเขาเขาก็รู้ของเขาค่ะพระอาจารย์เราไม่หน้าที่บอกก็บอกไป เขาจะทําหรือไม่ทําห้ามเขาไม่ได้สั่งเขไม่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์พ่อเขารู้หน้าที่เอาเหมือนเขาไปขาดพระอาจารย์เขาเอาของมาให้แล้วเขาก็เดินดุ่มดุ่ ม, ม, มเข้าไปเอา้าเขาก็ไปกราบเขาก็ไปทำของเขาเองค่ะพระอาจารย์เอ้วทุกจาก้าตหรอเอา้าแล้วก็พูดไม่ทันอ๋อโอเคไม่เป็นไรหรอกเด็กเขาอยากทําก็ปล่อยเขาทําไปอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ค่ ะ, าาคะในในส่วนตัวตอนนี้ของหนูที่ ท, ที่ปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ เเหมือนเราไปในอยู่ในกลุ่มคนในสนถานการณ์ของบ้านเมืองใช่ไหมคะค่ะอ mm hmm. าจารยเรา์เราก็ฟังบางทีเราก็คุยเราก็บอกว่า อ, อ, อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไป mm hmm. เขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้คิดแต่มันก็ต้องโลกมันก็ต้องหมุนไปมันก็ต้องเปลี่ยนไป พ่อหนูคิดถึงองค์สมาสัมพุทธเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปอะค่ะอชนกอย่างเป็นไปเกิดดับกดับไปค่ะเกิดดับแล้วก็ยังร่วมสลายหนูก็บอกอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงมันก็ต้องรับให้ได้เราจะได้ฆ่าไม่ได้ใช่ค่ะอัน ค่ะมันเป็นนัตตาเป็นเหมือนดินค่าคานี่ค่ะพระอาจารย์เขาก็บอกว่าเหมือนเราไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ใช่นะคะหนูบอกว่าหนูอยู่กับคนแก่กับเด็กอืหนูก็เห็นบางทีก็ฟุด ฟ, ฟัดอ่ะเขาก็เขาเราก็เราแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปไม่ต้องไปอะไรมากมายอะค่ะพระอาจารย์เดือนร้อนรับเปลี่ยนแปลงอะไรไปไม่ได้ไม่ได้ครับพระอาจารย์เหมือนเราก็ทุกอินพอเปล่า บางครั้งพี่บางทีเขาก็ไม่ได้ทุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูก็เลยหันกลับมาดูอยู่ที่ใจของเราเองโดยที่อ่าและตอนนี้ค่ะพรอาจารย์บางทีอ่าหนูนั่งสมาธิใช่ไหมคะเราอาจจะเปลี่ยนว่าเออที่เหมือนพระอาจารย์บอกถ้าเราคิดว่าเรายังไม่มีสติมากพอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สวดมนต์ไปด้วย หนูก็จะสลับทั้งสั้นทั้งยาวทั้งสั้นทั้งยาวแต่ก็ทําให้เราเ อ, อ่อทำแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ทําเหมือนเจริญสติได้เร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์ อ, อันนี้ก็คือได้มาถูกทางใช่มอย์ั้กคางไหมคะพระอาจารย์ค่ะหนูก็ค <พบ S 2> ิดว่าคุมใจเราให้ได้ไหมค่ะเราก็พยายามวกปุมใจอ่ะอะไรไอสามีลูกอาจจะเป็นอืมหนูก็ว่ายอย่างนี้ Mm hmm. บางทีเขาคิดว่าเราไม่ได้สนใจไม่ใช่ค่ะ mm hmm. หนูยกตัวหนูเองหนูไม่ได้คุยกับใครมากมาย mm hmm. นอกจากว่าไปทํางานค่ะพระอาจารย์บางทีก็ขา ด, ดเหมือนกันนะคะเวลาไปทํางานโอ้ยมันเอ๊ะทาไมใจเรามันไม่ได้แบบไอ้นี่ mm hmm. เขาก็บอกว่าทำไมเหมือนไม่กระตือรือร้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์หนูก mm ็ hmm. บอกว่ามันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นอืเราเราก็เข้าใจอยู่แต่เราก็ต้องทําหน้าที่อ่ะค่ะพระอาจารย mm ์ hmm. ว่า ในสิ่งที่เราจะต้องทําประมาณไหนก็้อนหนู่ก็จะเฉยเฉยไม่ได้คาดหวังหรืออะไรมากมายจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์หนู่ก็คิดอย่างนี้ค่ะคนอื่นจะมองมันก็เรื่องของเขาหนูกมว่าเอ๊<ม>อะเอาโอเคมันก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ห้ามเขา<น>ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดยังไงห้ามเขาไม่ได้ค่ะค่ะหนูก็บอกว่าอห้ามไม่ได้ขนาดใจเรายัง ไปแว็บมาเว็บไปแว็บมาเลยหนูอบอกไงอ๋มอมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพอนั่งสมาธิหนูก็ บ, บอกว่าตัวเองก็นั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหใจ น, นุ่นนี่นี่นันอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่อยู่ตรงนี้อุ้ยมันไม่ใช่ละหนูก็ บ, บอกว่ามันคนละอย่างกันว่ากายกับใจมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควบคุมง่ายหนูว่าเป็นร่างกายมากกว่าใจค่ะะ อ, อาจารย์อืมค่ะอันนี้เนี่ยคือ มันกร่างกายก็ควบกุมก็มันถึงเวลามันจะไม่เราควบคุมมันก็ควบคุมมันไม่ได้เหมือนกันค่ะควบกุมไม่ได้ครับพี่อาจารย์ขนาดท้องเสียนูยังบอกว่าโอ้โหนี่แบบมันหนักมากเลยนะเนี่ยเรามาทุกกับร่างกายแล้วต้องมาหาให้กายกินอยู่ขนาดนี้อะค่ะอาจารย์พอเราพูดมาเอ้าเอาไปเรามาเป็นทาสของกายเหรอเราต้องหาให้เขากินอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดคิดอยู่คนเดียวเงียบแต่ถ้าเราพูดไปเขาก็จะมองเราแปลกๆอะ เหมือน <Okay. S 1> เพื่อนเขก็ไม่เข้าใจหนูก็เลยเงียบเงียบไปดีกว่าเขาไมรู้นะว่าเราแยากกายยากใจออกจากกันค่ะพอเราเราพูดเอ้าวทำไมพูดแบบนั้ น, นก็อ๋อไม่อธิบายต่อเพราะว่ามันจะยาวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าอีกครับอาจารย์อืมถูกต้องอ่ะหนูก็เลยเฉยเฉยหนูก็เลยแบบมไม่ไม่พูดถ้าเขาไม่ถามก็ก็ไม่พูดก็บอก แค่นั้นก็คือจบค่ะพรอาจารย์นมก็คิดอย่างนี้ยค่ะก็เลยอยู่กับตัวเราเอันี้มากกว่าแต่คือคุยกับหลานไหมบอกเขาไหมหนูก็ค่อยๆบอกเขาเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจนิดๆหน่อยๆบ้างอะค่ะพอาจารย์อืมอืมเพราะก็มีคําถามอะไรมันก็มีมีคําถามที่เขาถามอะเอหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ได้ยินจากพระอาจารย์อพูดออกมาอ๋อ เขาก็ยังแบบซึมเข้าบ้างนิดๆหน่อยๆทีละคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเห็นนะคะที่ไปยกของยกอะไรเนี่ยดีเดีเขาก็เห็นหนูทำได้นะทำได้เนอททำได้เขาก็ไม่นั่งคู้เข่าแล้วเขาก็ไปยกแล้วไปไว้ที่รถอ้าเขาก็สังเกตนะคะพระอาจารย์ดีก็ไดแ้แค่ไหนก็คือแค่นั้นไปบอกนะคโอเคค่ะท่านค่ ะ, <I do. S 1> คะ ประอาจารย์ขอพนะคะให้หนูสำเร็จโอเคมีดวงตาเห็นทําไปเขียวอันตลอดสาูกค่ะพรอาจยอยากคิดสไรใจอะไรไปเรียนเป็นหมอสุทธาเน่เป็นไงโดนม้ากันบ้างว่างโดนสัตว์กัดบ้างบ้าโดนเช้าค่ะท่านพระอาจารย์ก็มีการฉีดยาคุมไวยใช่เช้าค่ะ รู้ไม่มีคำถามไม่มีปัญหาอะไเจ้าค่ะท่านอาจารย์โ okay. อเคยินดีด้วยขอบพะคุณเจ้าค่ะพออยายให้มีทุกขอย่างนะขอบพะคุณเจ้าค่ะอ่าคุณปางว่าอะไรยังมีทุกข์อยู่เปล่ากึ้งเกิดจะค่ะกไลผู้ใหญ่กาลเลยแค่วันทุกข์หมดสองนะจริงๆแล้วอ่าคอนโทรได้คนะเพราะว่ารู้รู้รู้ทุก เอ่อตรวจจากที่บ้านนะคะเป็นบททดสอบใหม่ที่เคยเรียนท่านพระอาจารย์ว่าในอนาคตต้องไปอยู่กับแม่แล้วก็เพิ่งจะได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้เจอบทนี้ค่ะว่าเราจะต้องทำตัวเป็นแจ้าอยังไงที น, นี้หนูหนูยังติดบทบาทของการเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการอยู่ค่ะก็มันบางทีก็ต้องเอาไปดุแม่บางเรื่องที่แม่เขาอาจจะทำยังไม่ถูกต้องนะคะก็เลยเผลอไปดุแต่แรงหน่อย แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูหนูหนูก็คิดได้ก็คือรู้รู้ว่าเราไม่ควรกระทําก็เลยขอโทษทีนี้ก็เลยต้องกลับมาใช้ตัวเนี้ยค่ะก็คือไปอยู่กับการความเอาใจของแม่เขาให้ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนที่หนูบอกค่ะว่าทุกมีก็รู้ประมาณนี้แค่นี้ค่ ะ, ะ, คะก็ไม่ได้มีปัญหากับทุกครับเออ ับถูกใจดีค่ะแต่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าการที่เราเรียนธรรมะค่ะเราถึงแม้ว่าเราทุกข์มันยังมีอยู่แล้วเรารู้วิธีการดับทุกข์การดับทุกข์สิ่งก็คือปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแต่เข้าใจเข้าใจว่าเ ข, เข้าใจว่าทุกข์คืออะไรแล้วเราก็ไม่ไม่ไปใส่ใจมันอย่างนี้ใช่ไหมคะเกอเราอย่าไปทุกข์กับมันไงมันมีทุกข์สองตัวทุกข์ใจกับทุกข์เหตุกับเหตุการณ์ เหตุการณมันทำให้เราทุกข์แล้วก็ปล่อยมันไปล้วอย่าไปทุกข์กับมันค่ะอืค่ะก็ก็ทาได้อยู่ค่ะมีทุกข์ก็อยู่กับทุกข์แค่นี้ค่ะไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหนาเหมือนเมื่อก่อนถ้ามันต้องอดข้าวเราอยู่กับมันไปให้ได้อย่าไปทุกข์กับการอดข้าวต่อค่ะถ้าเราทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับแม่ก็ต้องปล่อยมันทุกข์ไป ถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็อยู่กับมันไปค่ะอย่าไปทุกข์กับมันอำให้ทุกข์สองอย่างทุกขกับเหตุการณ์ทุกขกับคนนั้นคนนี้นกับใจเราต่บทบาทหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือต้องเป็นแจ๋วไว้ได้ใช่ไหมครับเพอดี่มันจะทําทให้เราอยู่เขาได้ง่ายขึ้นก็เอาไปปฏิบัติค่ะก็ทํากันบ้างไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะผ่านจังหวะ ค่าเนี่ยขอบคุณเจ้าค่ะถืออ่าคุณพร้อมคุณพูไม่ไย้อ่าไม่ได้พร้อมคุณพูพอกันธรรมศสการครับผา้าจารย์ครับเออาเป็นยังไง้วมาราย ง, งานผลการปฏิบัติช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผา้าจารย์ครับเอ่ามามเลยผมได้มีการจริงจังกับชีวิตตัวเองมากขึ้นครับด้วยการนําคํำวริกรรมพุทโธมาใช้ อบ่อยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนอาบน้ําระหว่างอในระหว่างอาบน้ําแล้วก็หลังอาบน้ําทุกๆุกอิยาบทที่พอจะทําได้ครับพระอาจารย์ครับก็เมื่อวานเนี่ยครับได้ภาวนาพุทโธครับพระอาจารย์ครับมาเลยพบว่าตอนที่ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นฐานของใจนะครับเอผมเพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาผมเนี่ยไปยึดในผล เหมือนใจผมมันไปอยู่ที่ผลเวลาเวลามันเกิดทุกข์ขึ้นในใจมาเกิดสุขขึ้นใน ใ, นใจมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปยึดอาการมันบางทีเราก็ไปเผือไปแก้อาการมันเราไม่ยอมรับมันครับอาจารย์แต่พอผมพูดโทจนมันชินนะครับมันเหมือนว่ามันมีอีกความรู้อันหนึ่งคื อ, อทุกครั้งที่เราเห็นทุกข์ครับเรารู้ว่าเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์มันคืออะไรครับเวลาเราเราเกิดสุขเราเห็นเหตุเหมือนเราเราผมเพิ่งรู้ตัวว่าจริงแล้วเราเลือกได้ว่า เราไม่จะเป็นต้องอยู่กับผลเพื่อจมอาการมันทุกๆอย่างเลยเราอยู่ที่เหตุตลอดได้เลยครับอาจารย์ครับแต่ว่ามันมันมันรู้ได้ด้วยการมีสติโดยใช้คําบริการพุทโธประมาณเนี้ยพอได้ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับก็ให้ลุ้เฉยเไปสักตะวันรู้ไปครับพระอาจารย์ครับผมผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีอาการเบาใจมากขึ้นว่าเอออย่างใช่ว่าผมทุกข์แล้ว เราก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปเราเห็นทุกก็จริงแต่ว่าเรารู้ว่าอ่ะที่เราทุกเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกมันคืออะไรครับอาจารย์อยู่ตรงเหตุมเนี่ยพูดโทพูดโทไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นอาการมันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปซึ่งถ้าไปก่อนหน้านี้เราคงแบบไหลมันก็ไปกับมันเยอะเลยครับแต่ตอนนี้เราอยู่แล้วกอ็อยู่ที่ฐานจิตอยู่แต่ที่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆไปใครับผมก็เลยมีความ มีความรู้สึกว่านิจิงพุโทโธกับอารมณ์มันเหมือนมันมันแยกกันใช่ไหมครับอาจารย์หมายตึงพุโทโธกับจิตแล้วไงพุโทโธกับอารมณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นมันก็คนละตัวกันเนะมันก็เป็นอย่างหนึ่งพุโทโธก็เป็นสติอย่างเป็นสั้งคันครั บ, รรบแล้วก็คือผมมีอยากขอปัญญาจากพระอาจารย์นะครับเหมือนตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าอะไร ควรไม่ควรคือตอนนี้ผมเริ่มรู้รู้ว่าที่บางที่มันไม่ใช่ที่ของผมคนเพื่อนบางกลุ่มผมรู้สึกว่าเออบางทีมันมันหมดหน้าที่หมดหมดภาระของเราแล้วอะ่ะเราไม่จะเป็นจะต้องอยู่ให้มาควรใจเราก็ได้ครับคือเราเลือกที่จะเดินออกมาก็ได้แต่เหมือนกิเลสมันมีข้ออ้างว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกผิดที่เราทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันแทนที่เราจะไปอยู่กับความสงบของเราใช้ชีวิตของเราแต่ใจเรามันยังไม่ไปไหนอะ่ะว่าอาจารย์ มันจะมีวิธีวางใจยังไงแบบให้เราแบบคือัรใจมันอยากเข้าสังคมซึ่งก็รู้แหละว่ามันทุกข์อ่ะแต่เราก็เลือกได้นะแต่มันยังไม่มีกําลังมากพอครับอาจารย์ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นทำใจให้นิ่งให้สงบให้มากขึ้นครับแล้วก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นเองครับอาจารย์ครับพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นครับวางใจเรามีความสุขมีความสงบในตัวเราเองนะก็ว่าให้กูอยู่คนเดียวก็ได้เนี่ว่ย ป้าอาจารย์ครับอืมผมก็เลยแบบกลายเป็นแบบคนที่ชอบสวดมนต์ทั้งเช้าก็วันเย็นเลยครับแล้วก็พยายามทบทวนศีลห้าตลอดเลยครับมันก็เป็นผมรู้สึกว่าของแบบนี้มันสะสมกันได้ครับป้าอาจารย์ก่อนหน้านี้ยผมห่างหายไปนานมากแต่พอเราย้ำเตือน่ะจิตมันมีกําลังมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ห้ามมันหยุดได้เหมือนกันนะครับเรื่องแบบเนี้ยครับป้าอาจารย์ครับใช่ครับ แล้วก็สุดท้ายครับป้จาจันครับวันนี้วันวันเกิดผมกับป้าจาันอยากให้ป้จาจันช่วยเมตตาอวยพรให้ผมหน่อยครับก็ให้สุขใจจะแล้วยิ่งขึ้นไปทําก่อจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปโอครับผมสาธุครับป้าจันครับขอให้ป้าจารรย์ับแข็งแรงพาาขานแข็งแรงด้วยนะครับาสาธุให้ความเมตตาครับไปต่อเอ่ อ, อคุณจอย ตอนสุดท้านแล้วไม่มีใครรอเข้ามาแลควน ะ, ะหนูก็ดูความทุกข์ดูใจตัวเองอยู่ทุกวันค่ะพยายามฝึกที่โทรต่อที่ตัวเราให้มากที่สุดค่ะเออเดี่ยวทร ก, กับใครอยู่ก็ <laughs> พอเราไม่อยู่ใครใครก็ไม่อยู่กับเราเองอมาจากเดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบแบบตอนนี้เราอยู่เองกับลูกเขาก็จะถามว่าเราไม่แฟนจะกลับ ทำไมไม่มาคือเขาทํางานที่นี่แล้วเขาก็ไปใช่ไหมคนหนูเราหนูไปเจอคนงานก็จะถามแบบก็เฉยๆบ้างก็ได้ไม่ต้องตอบก็ได้ใช่ค่ะแต่บางครั้งมันไม่พูดก็ไม่ได้เขาก็ถามหนูอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูตอนนี้หนูแล้วหนูก็ทํางานอยู่เพราะคนต่างดาวเลยตอนนี้ก็คือวุ่นวายเรื่องไทยกัมพูชาอยู่เออเมียนมาพวกกัมพูชาอยู่ด้วยค่ะอืมเพราะว่าทําเรื่องคนงานคนงานในแคมป์อะไรอืม ก็ผสมเสมไปแต่ก็ดูใจอยู่พูดโทบางครั้งที่รู้สึกตัวว่าก็พูดโทค่ะอ่าทำหน้าที่ไปด้วยความเมตตาแล้วกันอะใส่เมตตาให้กับทุกคนอะอย่าไปโกรเขาอย่าไปอะไรเขาอย่าไปทําร้ายเขาให้อภัยอห้ความสุขกับเขาครั้งที่แบบว่าถ้าเราทําได้คือเราชนะใช่ไหมคะใช่ ชนะตนเดียวชนะผู้อื่นชนะตัวเองใช่ไหมคะอะชนะความกลืนะค่ะแต่เดี๋ยววันที่ยี่สิบหนูก็ไปเข้าวัดสามวันอยู่แล้วค่ะจองที่ไว้เลยจองหนูอันนี้หนูลงข้างล่างเพราะว่าเพื่อนไปด้วยถ้าหนูไปคนเดียวหนูอยากขึ้นเขาแต่ว่าที่นี้เพื่อนเขาขอไปโดยหนูก็เลยเอาข้างล่างก็ข้างล่างไม่ขึ้นเขาเขายังไม่เคยไปเพราะว่าไม่ไม่รู้จะอยู่ได้ไกี่แล้ป้องก็ดีตอนตอนกายก็อยู่แบบง่ายๆไปก่อน ช่อไปถ้าเขาติดใจก็อยากจะเล่าไปขึ้นเขาก็ช่วยขึ้นไปได้วยกันก็ได้แต่แยกกันอยู่แต่แต่ขึ้นเขาจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมันได้มากกว่ามากกว่าใอ่อยู่ที่คนปฏิบัติด้วยทำได้หรือเปล่าถ้ากําลังเขาไม่พอก็เขาก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอ่ขึ้นเขาคือไม่ต้องคุยกับใครเลยค่ะอยู่กับ<ม>ตัวเองสูกกับตัวเองล้วนๆเลยค่ะเ<อ>พราะว่าถ้ า, <ม>ถาเราอยู่ถ้าเราหนูอยู่ข้างล่างหนูก็ยังต้องคุยกับคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โอกาสถ้าโอกาสไหนเราไปคนเดียวได้เราก็ไปคนเดียวอ๋ถ้าปีหน้าแบบหนูหางเงินได้เยอะมีเงินได้เยอะหนูก็จบไปเยอะขึ้นเพราะว่ามีเงินเอาไว้ให้ลูกแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรอแล้วก็อีกอย่างคืออะไรนะแล้วหนูก็จะพาเขาไปฟังเทศนะพาจาย์ตอนไหวแบบให้เขาได้ซึมซัข้าไปกันค่ะดีเขาเพราะาหนูไปสองอาทิตย์จันแต่ว่าวันจันร วันจันทร์ในวันธรรมดาไม่มีใช่ไหมคะไม่มีต้องเป็นวันพระถ้าวันธรรมดาต้องเป็นวันพระวันมอแล้วหนูก็ไปใส่บาตรมีพี่คนนะคะเป็นกัมพูชานะคะเขาขอตามไปแต่เขาแต่เขาอยู่กับจนหนูผู้ไทยได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาถามว่าจอยไปไหนหนูบอกว่าหนูไปใส่บาตรแล้วก็ถามว่าตอนบาตจอยไปไหนหนูบอกหนูไปฟังเทศเขาก็บอกว่าเขาขอบด้วยแต่หนูว่าได้เป็นที่หนูก็พาเขาไปแต่เขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นกัมพูชา ได้ไม่เป็นไรเขาพากวัษาไทยรู้เรื่องมากกันรู้เรื่องค่ะเขาก็นั่งสมาธิตอนที่พราจะบอกให้สงบเขาก็นั่งสมาธิสงบด้วยนี่ค่ะไม่มีอะไรละค่ะหนูก็ไปใส่บาทเหมือนเดิมโอเคสาธุสวัสดีคุณคุณลาต่อคุณลามีคำถามไหมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ o กและยููเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ การนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาสามารถชดเชยการนอนหลับได้ไหมครับผมรู้สึกว่าการทำสมาธิจิตสงบร่างกายได้พักผ่อนครับไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้ายังต้องนอนมาหนานอะไังไงต้องนอนพักผ่อนและเข้าสมาธิร่างกายยังไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ต้องให้ให้พักผ่อนนอนหลับค่ะคำถามต่อไป การทำสมาธิที่สมาธินั้นยังคงสามารถคงอยู่ต่อได้ในขณะที่เราออกจากสมาธิแล้วเป็นสภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ตลอดถึงแม้นจะออกมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วใช่ไหมครับก็มันจะนิ่งคนละแบบนะนิ่งในสมาธินี่อาจจะไม่มีความคิดเลยแต่เวลาออกจากสมาธิมามันอาจจะนิ่งแต่ยังต้องคิดอยู่ก็นิ่งคนละแบบนิ่งแบบอุเบกขา คือใจไม่วุ่นวายไปกับอะไรแต่ออกจากสมาธิมาใจก็ต้องคิดต้องทําอะไรไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ได้เอาไ ม, ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธินี้มันเน้นเต็มที่เลยคําถามต่อไปจากคุณจํารัดกรั บ, บนมมสการพระอาจารย์สุชาติครับผมบทสวดมนต์ถวายพรพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณให้สวดย้อนกลับทั้งบท หมายความว่าอย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันนะเ ข, เขาว่าอย่างไรต้องถามาคนที่เขาบอกดูสิคำถามสุดท้ายจากคุณ อ, อนงนาตกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะลูกกลัวไม่อยากตายขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเจ้าคะ่ะอ๋อบอกว่าเราไม่ได้ตายเราเป็นจิตใจไม่ได้ตายเป็นร่างกาย ที่ตายไม่ใช่เราตัวเราของเราไม่มีอะไรน่ากลัวอเคก็ okay, <า>หมดไปแล้ว <Okay, S 1> เวลายังมีอยู่บ้างแต่ไม่มีคนแล้วไม่มีใครถามไม่มีใครพูดแล้วก็ก็คิคคดว่าพอสมควรเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเ น, นพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ